ซีดีธรรมบัญญายชุดจาริกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาพรปออประยุตโตวัดยาณเวสศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่8ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์บัญญายที่ลุมพินี ในเขตประเทศเนปาลเมื่อวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา8นาฬิกา25นาทีพอจเจริญพรบัตรนีคณะบุญญาจาริกก็ได้เดินทางมาถึงสังเวชนียสถานแห่งที่สี่ เป็นที่สุดท้ายในการเดินทางของเราแต่ว่าเป็นลำดับแรกในเหตุการณ์แห่งพุทธประวัติสถานที่ประูตมนี้ก็มีเครื่องหมายแสดงให้ทราบด้วยศิลาจารึกของพระเจ้าอาักรที่ได้จารึกไว้เปนข้อความสั้นๆว่าพระเจ้าอยู่หัวปิยทัศสี ผู้เป็นที่รักแห่งกรยเทพเมื่ อ, อพิเศษได้20สปีมียีพรรษาได้เสด็จมานัาสถานที่นี้แล้วก็ได้ประดิษฐานเสาศิลาจารึกนี้ไว้เป็นเครื่องหมายว่าพระพุทธเจ้าสากยะมุนีได้ประสูตินัดที่นี้แล้วก็มีข้อความต่อไปอเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดส่วนหลักฐานอื่นก็เป็นเครื่อง เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาภายหลังเป็นส่วนมากพวกอิฐต่างๆที่ก่อนนั้นก็อาจจะเป็นพวกสถูปบ้างแล้วก็พวกซากของกุฏิพระบ้างในอย่างหนึ่งก็คือวิหารมายาเทวีที่อยู่ในวงล้อมผ้าเหลืองที่เขากำลังจัดการขุดแต่งเมื่อจะมามาครั้งก่อนนนก็เขายังไม่ได้รื้อยังเข้าไปนัศกษาได้ แต่ก็เป็นวิหารที่ไม่ใช่ของชาวพุทธเองคือเป็นของชาวฮินดูสร้างขึ้นในเาวติศรภแล้วก็เป็นของไพรล่ะที่จริงนั้นสถานที่ประสูตรเราควรจะได้ให้ความสำคัญมากหมายถึงว่าทางรัฐบาลหรือชาวพุทธทั้งหมดทางสาธารณชาิในสมัยท่านเลขาธิการอุทันได้วางโครงการที่จะพัฒนาลุมพิีไว้ตั้งแต่ ประมาณ35ปีมาแล้วแต่เวลา <Yeah. S 1> ล่วงมายาวนานท่านอุทัน์ได้เส้นชีวิตไปงานก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยแต่เมื่อตอมามาครั้งแรกปี2528ก็ไม่มีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งประมาณพศสอ3 3ก็อยู่อย่างเดิม ต้อจะมาครั้งนี้แหละที่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นก็นับว่าเป็นที่น่าโ น, โมนา้มนโอมทัณหาแต่นับว่าชามากว่าที่จริงนั้นควรจะได้มีการปรับปรุงกันมานานแล้วควรจะเป็นสถานที่ที่รื่นรมเป็นรมณีสถานด้วยและเป็นปูชนียสถานด้วยนิฉะนั้นแล้วชาวพุทธมาเราก็เห็นเป็นที่น่าชังเวช แต่เป็นสังเวศในภาษาไทยไม่ใช่สังเวศในภาษาบาลีสังเวศในภาษาไทยหมายความว่าเห็นแล้วก็สลดหดหูใจมาบัดนี้ถ้าหากว่ามีการปฏิสังขรณ์แล้วก็มีการฟื้นฟูมีการสร้างทําตามแปลนที่วางไว้ที่เรียวกว่ามาสเตอร์แปลน Blend, สมัยท่านอุทานต่อไปก็คงเป็นที่ที่เป็นโรมีสถานและก็เป็นปูชนียสถานที่ ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธ า, าได้อย่างดีนี่ก็เป็นเรื่องของสถานที่ซึ่งก็มีความสําคัญอยู่เพราะว่าเราต้องการให้เกิดผลในทางจิตใจคือให้เป็นสังเวชนีสถานที่แท้จริงสังเวชะในความหมายว่าเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เกิดศรัทธาและปัญญาเพราะาสิ่งสําคัญที่เรามาในสถานที่ที่เรียกว่าสังเวชนีสถานและ สถานที่สาคัญในทางพุทธศาสนาทุกแห่งสิ่งที่เราควรจะได้โดยสรุปก็มีสองอย่างคือศรัทธากับปัญญาบางท่านก็อาจจะได้เฉพาะศรัทธาคือความเลื่อมใสเกิดความปิติมีความปรับรื่นใจที่ผลผลจากศรัทธานั้นนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งบางทีไม่ได้คือปัญญาถ้าได้ศรัทธาไปก็ยังเรียกว่าได้ผลบ้างแต่ว่า ไม่สมบูรณ์ถ้าจะให้ดีก็ควรจะได้ปัญญาด้วยอย่างที่อาตมาได้กล่าวแล้วว่าปัญญาที่เกิดขึ้นนี้ก็หมายถึงปัญญาที่หนึ่งก็คือความรู้เข้าใจคติธรรมดาของสังขารความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามหลักพราไตรลักษณ์อันนี้ทำให้เราเห็นความจริงและโน้มธรรมะมาปฏิบัติในใจประการที่สองก็คือเชื่อมโยงต่อไปถึงการที่ว่า จะได้ลำลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับสถานที่จาระแหงตลอด็นกระทั่งพระธรรมเทศนาต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในโอกาสนั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องทางปัญญาซึ่งจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่การรู้จักใช้โยนิโสมนสิการคือการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาอย่างเราเดินทางมา ครบสี่แห่งนี้ความหมายของสังเวชนียสถานแต่ละแห่งนั้นก็มีต่างกันแต่ถ้าจะประมวลสรุปแล้วเราก็ได้แง่คิดหลายแบบอาจามาจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องสังเวชนียสถานสี่นั้นเราเห็นชัดว่าแห่งที่หนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสูติก็คือการเกิดแล้วต่อไปสุดท้ายเลย ลงท้ายก็คือที่ปรินิพพานก็คือตายสองอย่างนี้เกิดตายนีเป็นของสามัญสหรับทุกคนไม่ใช่พระพุทธเจ้าใครก็ตามมีชีวิตก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเกิดแล้วก็ส้องสิ้นสุดด้วยความตายแต่เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีเพิ่มอีกสองอย่างคือในระหว่างนั้นระหว่างกลางประสูตรกับปรินิพพานนั้นมีตรัสรู้กับ แสดงปฐมเทศนาสองอย่างนี้มีความหมายอย่างไรอันนี้แหละเป็นส่วนพิเศษที่ทำให้พระชนมนชีพหรือชีวิตของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐต่างจากคนทั้งหลายการตรัสรู้นั้นถ้ามองความหมายถ้ามามาใช้ประโยชน์สำหรับคนโทษไปก็คือการที่ว่าการเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐการทำชีวิตให้ดีงามและก็ ต่อไปการแสดงปทธรมเทศนาในสังเวชนียสถานที่สามก็หมายถึงการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดเวนยัยสั์เริ่มต้นประกาศพระศาสนาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นตามหลักพระศาสนานั้นสองอย่างนี้เรียกว่าการทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมอย่างหนึ่งและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญทั้งสองอย่างนี้ การตรัสรู้นั้นเรียกว่าการเข้าถึงประโยชน์ตนหรือทําประโยชน์ตนให้สมบูรณ์หมายความว่าพระพุทธเจ้าได้บําเพ็ญได้พัฒนาพระองค์เองเนี่ยสมบูรณ์แล้วด้วยการตรัสรู้นั้นประโยชน์ของพระองค์เองได้บรรลุแล้วจนกระทั่งเรากล่าวว่าไม่มีอะไรที่จะต้องทําเพื่อตัวเองอีกซึ่งเป็นหลักหรือเป็นลักษณะของพระอรหันต์ทั้งหลายทั่วไปรอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านเรียกว่าเป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้ว จนไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองอีกการจักรสรุปเป็นเครื่องหมายอันนี้ชีวิตที่ดีงามความดีงามความประเสริฐพระองค์ได้ทําให้เกิดขึ้นแก่พระชนชีพของพระองค์แล้วทีนี้ต่อมาการแสดงปฐมเทศนาก็คือการมาเป็นประโยชน์ผู้ผู้อื่นคือการที่พระองค์ได้มีอะไรมอบไว้ให้แก่ชาวโลก2ประการนี้เรียกว่าหลักอัตฉริยะบรัชรัฐ การจรัสรูนั่นเป็นการบรรลุความสมบูรณแห่งอัตตัฏฐะหรืออัตตหิตะประโยชน์ตนและการแสดงปฐมเทศนาเป็นจุดเริ่มต้นของการบรเพ็ญป ร, รัทธะหรือปราชิตะประโยชน์ทูผู้อื่นหลักธรรมคู่นี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันการปฏิบัติในฐานพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงย้ำบ่อยๆว่าให้บรเพนินิพตัถธะประโยชน์ตนและก็ป ร, ราชิตะประโยชน์ผู้อื่นและสองอย่างนี้ก็เนื่องกันผู้ที่จะ บำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้อย่างดีก็ต้องพัฒนาตนบรรลุประโยชน์ตนมากขึ้นยิ่งเราบรรลุประโยชน์ตนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถทำประโยชน์ผู้ผอื่นได้มากเท่านั้นความดีงามความสามารถความมีสติปัญญาการพัฒนาตนของเรานี่แหละอันนี้เป็นประโยชน์ตนที่แท้จริงถ้าเราได้พัฒนาตนเองบรรลุประโยชน์ตนเราได้มีสติปัญญาความสามารถมากขึ้น ก็กลายเป็นความดีของชีวิตเราด้วยและพร้อมกับ น, นั้นเราก็สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชนผ์ผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีสติปัญญามีความสามารถมีความสุขมีชีวิตที่สงบแล้วนี่สามารถบำเพ็ญประโยชน์ช่วเหลือผู้อื่น mm. เผื่อแผ่ความดีงามสติปัญญาความรู้เผื่อแผ่ความสุขไปให้แต่คนอื่นได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ตนนั้นจึงเป็นฐานของการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น จริงเป็นลักษณะของพระอรหันต์ว่าจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุประโยชน์ตนแต่ว่าบรรลุจกนกระทั่งว่าไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองที่มีความสมบูรณ์ในตัวทั้งสติปัญญาทั้งความสุขความสงบความเป็นอิสระเมื่อมีพร้อมในตัวแล้วก็นำเอาความสุขความเป็นอิสระเป็นต้นนี้ไปเผื่อแผ่แจกจ่ายแก่ผู้อื่นด้วยเมตตากรุณาต่อไปสถานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรุ้และ ประกาศประโทมเทศนาก็เป็นเครื่องหมายของการที่ท่งได้บรรลุแล้วซึ่งความสมบูรณ์แห่งอัตถะการบำเพ็ญประโยชน์ตนพัฒนาตนเองสมบูรณ์และการที่ได้ทรงทําประโยชน์แก่ชาวโลกบำเพ็ญกรรธนะดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นสังเวชนียสถานสี่นี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจชาวพุทธว่าในคติแห่งธรรมดาแห่งชีวิตที่เราเกิดมาจนกระทั่งตายตัวนี้ เราก็ควรจะได้ทำสองอย่างนี้ให้เกิดขึ้นด้วยก็ยคือชีวิตตัวเองเราก็ควรจะเข้าถึงสิ่งที่ดีงามเสริเสริร์พัฒนาตัวเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นเราก็ควรจะมีอะไรให้แก่โลกด้วยบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่สังคมเดียด้วยนี่ก็เป็นคติธรรมประการหนึ่งที่ได้จากเรื่องสังเวชเนยสถาน4อันนี้เป็นอย่างให้ง่ายนอกจากนั้นก็ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก อย่างที่ตมาได้กล่าวแล้วต่อไปนี้จะพูดถึงความหมายอีกสักอย่างหนึ่งความหมาย อ, อย่างหนึ่งที่จะมาได้พูดอ้างอิงไปแล้วก็คือได้กล่าวถึงเรื่องรู ป, ปรกายและธรรมกายพระพุทธเจ้าประสูนย์ในสถานที่นี้ที่ลุมพินีวันก็คือการปรากฏขึ้นแห่งรู ป, ปรกายร่างกายของพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะรู ป, ปรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะได้อาศัยรู ป, ปรกายนี้แหละ ความเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้เกิดขึ้นได้เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้เป็นบำเพ็ญเพียรอาศัยร่างกายนี้เองมาบำเพ็ญเพียรและต่อจากนั้นก็ได้อาศัยร่างกายนี้บำเพ็ญจนกระทั่งได้บรรลุธรรมะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าได้ทรงอาศัยรู ป, ปร่กายนี้ทําธรรมกายให้ปรากฏขึ้นธรรมกายก็ปรากฏขึ้นที่ ใต้ต้นสีมหาโพธิพุทธทยานั่นคือการตรัสรู้เป็นสังเวชนียสถานแห่งที่สองสังเวชนียสถานแห่งที่หนึ่งคือที่ประสูตรก็เป็นที่ปรากฏขึ้นแห่งพระรูปตัณฑ์และส่วนสังเวชนียสถานที่สองที่ตรัสรู้ก็เป็นที่ปรากฏขึ้นแห่งพระธรรมกายธรรมกายก็คือชุมนุมหรือกองแห่งธรรมะดังที่อาจรมาภาพได้เคยอธิบายไปครั้งหนึ่งแล้ว นี้เมื่อพระพุทธเจ้าอาศัยพระรูปตรายทำพระธรรมกายให้ปรากฏแล้วก็เป็นส่วนทรองค์เองต่อจากนั้นพระองค์เองก็สเสด็จจาริกไปยังป่าอิศกตนะบริกทายวันที่เป็นสังเวชเนียสถานแห่งที่สามและนาสถานที่นี้ทรงค์ก็ได้ประกาศเพื่อแผ่ธรรมกายนี้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วย โดยมีประจักษ์พยานบุคคลแรกก็คืออัญญากนธัญญะซึ่งได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือเข้าถึงธรรมกายเป็นขั้นแรกถัดจากพระพุทธเจ้านี่ก็คือการที่พระพุทธเจ้าได้ทาธรรมกายให้ปรากฏขึ้นแก่โลกเพื่อแผ่ออกไปยังผู้อื่นเมื่อธรรมกายปรากฏแล้วรูปประกายนี้ได้ทาหน้าที่จนกระทั่งสมบูรณ์ทาธรรมกายให้ปรากฏไวในโลก พอสมควรแล้วรู ป, ปกายนั้นก็ไปสิ้นสุดลงณสังเวชนียสถานแห่งที่4ก็คือที่สรินิพพาน น, นเมืองกุศินารารู ป, ปกายทาหน้าที่ให้ธรรมกายปรากฏจัวาโลกและรู ป, ปกายก็ดับไปแต่ว่าทิ้งธรรมกายไว้ให้เป็นประโยชน์จัวาโลกต่อไปธรรมกายนี้ไม่พลอยสูญสิ้นไปด้วยอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างรู ป, ปกายกับธรรมกาย ก็แปลว่า4ี่สถานนี้หนึ่งรูปกายปรากฏที่ประูุอาศัยรูปกายนี้ไปทำธรรมกายให้ปรากฏขึ้นที่ต้นโพธจากเจรปพุทธคยาแล้วก็ทำธรรมกายนั้นให้แผ่ขยายออกไปเป็นประโยชน์กชาโลกที่ไปสุพจนารุกทายวันเป็นสังเวชนิษฐานที่สแมล้วเมื่อทำนาทีจบครบทวนแล้วรูปกายก็ไปดับลงที่กุสินาราและธรรมกายก็คงอยู่ต่อไปอันนี้ก็ เป็นคติความหมายอีกอย่างหนึ่งของเรื่องสังเวช น, นีสถาน4ประการสี่แห่งเราก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมกายนิดหน่อยขอย้ำว่าธรรมกายนั้นในภาษาบาลีแปลว่ากองหรือแปลว่าที่ชุมนุมที่ประชุมรูปประกายก็เป็นที่ประชุมหรือกองให้รูปประมับได้แก่ดินน้าลมไฟมาประชุมกันเท่ามีการประชุมอย่างเป็นระบบ จึงได้เป็นรูปประกอายขึ้นทีนี้ในด้านธรรมกายก็เช่นเดียวกันธรรมะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติแต่มาเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เมื่อมามีการประชุมขึ้นโดยการรู้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติเมื่อเรารู้เข้าใจธรรมะธรรมะก็มาเป็นกายของเราด้วยการที่ว่ามาประกอบกันขึ้นทีละอย่างละอย่างเราก็มีชุมนุมหรือกองแห่งธรรมเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมากขึ้น เราประพฤติปฏิบัติตามหลักเมตตาแล้วก็มีเมตตาเข้ามาอย่างหนึ่งเราบำเพ็ญกรุณาก็เข้ามาอีกอย่างหนึ่งมุทิตาก็เข้ามาอย่างหนึ่งเบิดขาเข้ามาอย่างหนึ่งหรือเราเป็นเป็นเพนอินทรีย์เรามีศรัทธาก็มาองค์หนึ่งและธรรมะข้อหนึ่งมีวิริยะก็เข้ามาอีกอย่างหนึ่งมีสติก็เข้ามาอีกอย่างหนึ่งมีสมาธิก็เข้ามาอีกอย่างหนึ่งมีปัญญาก็เข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็เป็นธรรมกายธรรมกายก็ปรากฏขึ้นมากขึ้นตามลำดับ จกนกระทั่งเป็นธรรมกายที่มั่นคงก็คือมรคนิพพานถ้าเป็นธรรมกายในตอนแรกแล้วยังไม่มั่นคงเพราะว่าธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติที่เรารู้เข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเสื่อมได้หมายความว่าบางทีเราได้ธรรมะขอ น, นี้แล้วต่อมาเราก็เสื่อมไปจากธรรมะขอ น, นั้นขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่นอนจนกว่าเมื่อไรจะได้มรคนิพพานธรรมกายนั้นก็แน่นอน แต่ธรรมกายนี้ไม่มีรูปร่างเพราะถ้าเป็นรูปร่างก็กลายเป็นรูปประกกายรูปประกกายเท่านั้นเป็นรูปร่างรูปประกกายก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นรูปเนี่ยประชุมแห่งรูปธรรมส่วนธรรมกายนี้เป็นประชุมแห่งธรรมะธรรมะในที่นี้เป็นนามเพราะฉะนั้นก็คือนามกายนั่นเองแต่นามกายนี้เป็นสัพ์ที่กว้างนามกาย น, นั้นอาจจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ ตะธรรมกายในที่นี้เราหมายถึงว่าส่วนที่เป็นกุศลส่วนที่เป็นสัจธรรมแล้วก็ไม่มีรูปร่างให้ปรากฏก็คือตัวธรรมะต่างๆนั่นเองที่เข้ามาประชุมกันขึ้นอยู่ด้วยการรู้เข้าใจและแบบปฏิบัติบังเทนของเราดังที่กล่าวมานันโยมก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องธรรมกายนี้ให้ชัดเจนด้วยเดี๋ยวจะหลงไปเป็นรูปเป็นร่างอย่างโนอนอย่างนี้ไปอันนี้อาตมาก็ยกขึ้นมาพูด เป็นความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสังเวชนีสถาน4ประการอย่างที่อาตมาได้กล่าวแล้วบอกว่าเรื่องของการหาประโยชน์หรือทําความเข้าใจความหมายของสังเวชนีสถานนี้อยู่ที่โยนิสมรสิการการรู้จักพินิษพิจี่จรณาถ้าเรามีโยนิสมรสิการเราก็สามารถได้ประโยชน์ได้ความหมายเพิ่มจากนี้อีกแต่ทั้งหมดนั้นก็อยู่ในหลักสองประการที่กล่าวมา ก็คือว่าเน้นที่ศรัทธาย่างหนึ่งกับปัญญาอย่างหนึ่งวันนี้ตรรมาก็ขอสรุปเรื่องสังเวชนิสฐานสประการให้โยมฟังไว้โดยเป็นแบบอย่างหรือเป็นตัวอย่างเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็หวังว่าโยมทุกท่านนี้คงได้ประโยชน์จากสังเวชนิสฐานสได้คติที่จะนําไปเป็นแนวทางความโดยทิปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดผลดีงาน แก่ชีวิตของตอนเองด้วยการที่ดำเนินตามพุทธปฏิปทาถ้าเราได้คติอย่ากที่อัตามากล่าวแม้เป็นสองประการที่พูดไปแล้วนี้ก็คิดว่าเราก็คงจะได้ผลดีมากพอสมควรเมื่อได้กล่าวถึงเรื่องความหมายของสังเวชเียรานสประการแล้วอัวตามาก็อยากจะพูดย้อนกลับไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นหลักธรรมะ อันเกี่ยวเนื่องกับสังเวชินุสารสี่ประการที่ควรจะพูดถึงในโอกาสก่อนก่อนแต่ว่าเราไม่มีเวลาเนื่องจากการเดินทางแล้วก็มีเหตุบางอย่างขัดข้องเข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะขอย้อนไปพูดเมื่อสาวันก่อนหรือ4ี่วันก่อนโน้นย้อนไปตั้งแต่ที่พุทธัญญานน้นเลยตอนนั้นก็มีเหตุการณ์ที่น่าเห็นใจาญาติโยม คือการเดินไปที่ดงทักกิลิศน่ยที่ภูเขาที่ถ้าที่ถือกันว่าเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ได้บําเพรรกก็ญทุกขกิริยาอันนั้นที่เห็นใจโยมก็เพราะว่าเดินกันเหน็ดเหนื่อยมาก <c oughs> ก็บางท่านก็ถึงจะได้รับทุกขวเวทนามีความเจ็บปวดเนี่ยแต่ว่าที่จริงอตมาก็เป็นเพื่อนโยมเหมือนกันนะก็เจ็บปวดเหมือนกันเนี่ยเนี่ย ก็อย่างที่บอกโยมแล้วว่าเราถวายเป็นพุทธบูชาอาตมาก็เลยถือโอกาสเล่าแทะเนียเป็นเกล็ดนิดหน่อยพอทําให้บรรยากาศเบาลงว่าที่โยมเจ็บปวดความจงอาตมาก็เจ็บปวดเหมือนกันที่เดินวันนั้นน่ยอาตมาก็เท้าแตกตั้งแต่ตอนเดินเลยแล้วก็ระบมเจ็บตลอดเวลาที่เดินช่วงปลายๆก็เจ็บตลอดแต่แต่วันนั้นจนกระทั่งมาวันนี้ก็ยังเดินกระย่อมกระยันอยู่เี่ย เพราะว่าเท้ายังระบมอยู่ยังพองอยู่ก็เป็นการกเสษที่ต่อเนื่องหลายวันทีเดียวอันนี้เมื่อเดินทางมาโยมหลายท่านยังมีความลำบากมากขึ้นอีกก็ยังมาท้องเสียท้องเดินจนเมื่อวานนี้อีกที่ท้องเดินท้องเสียนี่อาตอมาก็บอกว่าอไาอันนี้ก็เราได้บำเพ็ญ อะไรจะเรียกว่าวิริยะบาลมนะีอุทิตต่อพระพุทธเจ้าแต่ว่าไปแล้วการที่เป็นโลกท้องร่วงนี่ก็ค้ายกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันพุทธเจ้าที่เสด็จไปยังสถานที่ปรินิพานแล้วนิพานนั้นก็ด้วยโลกท้องนั่นเลยนะทีเดี่าเรียกว่าปักขันทิกาพาธท้นะ อ, องทรงท้องร่วงท้องเดินถึงกับเป็นพระโลหิตทีเดียวลงพระโลหิตเลย หนั ก, กเรามากที่โยมท้องเดินท้องเสียกันเนี่ยไม่ถึงกับ น, นิพพานนแค่หมดแรงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นได้เป็นอย่างนี้ก็น่าจะดีใจว่าเราก็ได้เป็นคล้ายๆอย่างพระพุทธเจ้าได้ท่งอาพาธในโลกนี้มาแล้วมันก็กลับกลายเป็นดีนึกอย่างนี้แล้วก็สบายใจหายทุกข์หายรอ้อน แล้วก็สหรับอาตมาเองที่จริงก็มีปัญหาเรื่องคอก็เจ็บตั้งแต่วันนั้นแหละวันที่ไปเดินที่ดงคัสิลิเข้าใจว่าจะเป็นเพราะเครื่องแอร์เครื่องแอร์ที่เป่าสีษัตั้งแวันวันแรกหันยังไงก็ไม่พน้นตอนหลังต้องใช้กระดาษติดแล้วลมเย็นที่ลงมาจากเครื่องแอร์นั้นสงสัยว่าจะทำให้เสียสมดุลทำให้ดุลยภาพในร่างกายเสียในคืนวันที่ไปดงคัสิลิ กลับมาเที่ยวที่วัดไทยพุทธศิยาก็เจ็บคอเจ็บคอมากหน่อยแะห ว, ว่าลุกขึ้นก็เจ็บตลอดตอนที่จะพูดที่ป่ายีกัจจนามฤุกัายาวันนั้นตอนนั้นก็เจ็บมากแต่ว่าพอถึงเวลาจะต้องพูดก็ต้องพูดก็พอดีว่าฝนมาก็เลยหยุดพูดนยถ้าหากว่าพูดมากกว่านั้นก็ต้องพูดเป็นชั่วโมงซึ่งเวลาก็ไม่เหมาะแล้วถ้าพูดมากก็ไม่รู้คืนนั้นจะเป็นยังไงเพราะว่า แม้แต่อย่างนั้นตอนคืนนั้นก็เจ็บคอมากจนกระทั่งว่าพูดลำบากพูดไม่ถนัดแล้วก็คืนน้ำลายลำบากก็เลยเป็นอันว่ามองใ น, นแง่หนึ่งก็ดีไปก็ <c oughs> แต่ว่าก็หายไวยเวลานี้ก็หายแล้วเพราะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็ขอให้ทุกท่านสบายใจคิดว่าตอนนี้ที่ใครไม่สบายเป็นโรคโน้นโรคนี้ก็คงดีขึ้นแหละก็ถือว่า เราก็ได้บำเพ็ญบารมีถวายเป็นพุทธบูชาด้วยกันแล้วขอให้มีสติอิ่มใจต่อจากนี้ก็ขอให้มีใจิตใจร่าเริงเบิกบานผ่องใสนะมีความสดชื่นมีความสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็ขอย้อนกลับไปกล่าวถึงเรื่องดงคศสิริทั้งหนึ่งที่เราไปที่ดงคศสิรินั้นเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกกิริยาและก็เราขึ้นไปแล้ว บนที่นั้นก็เป็นถ้ำเป็นถ้ำเล็กๆโยมหลายท่านไม่ได้ขึ้นไปขึ้นไปได้ก็เพียงสักไม่ถึงครึง่งเพราะนั้นส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นว่าเป็นอย่างไรแต่ที่จริงก็ไม่จําเป็นต้องไปเห็นนะถ้าเราตมาไปดูก็ดีไปอย่างคือให้เห็นว่าที่เขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะถ้ำ น, นั้นเป็นอย่างไรเท่านั้นเองแต่ตามานั้นเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้า จะต้องไปประทับอยู่ที่ถ้ำนั้นอาจจะเป็นเพียงแห่งหนึ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปบําเพ็ญเพียรอยู่บริเวณนั้นเป็นเวลายาวนานมากเมื่อเสด็จไปออกบรรพชาแล้วแล้วก็บําเพ็ญเพียรใช้เวลาตั้งหปีแล้วสถานที่พระพุทธเจ้าไปบําเพ็ญเพียรนั้นตามคําที่พรนานาไว้ในพุทธประวัตินี่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้ากลจัดไว้เองพระพุทธเจ้ากจัดไว้ข้อความทํานองนี้ว่า พรงได้เสด็จไปที่ริมฝั่งแม่น้ำก็คือเนรัญชราแล้วทอดพระเนตรเห็นว่าที่นั่นเป็นภูมิภาคอันรื่นรมมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำก็ใสกระ จ, จ่างแจ๋วแล้วก็มีท่าน้ำก็คือชายหาดที่ราบเรียบบนฝั่งก็มีต้นไม้หมู่ไม้ที่ร่มรื่นเป็นสถานที่ที่น่าบันเทิงใจ องค์ก็ตัดสินวัดไทยว่าที่นี่เป็นสถานที่ควรบำเพ็ญเพียรอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าที่พระพุทธเจ้าตัดสินวัดไทยบำเพ็ญเพียรนั้นก็เป็นที่บริเวณฝั่งน้ํามีป่ามีหมู่ไม้ร่มรื่นอันนี้ก็แสดงว่าไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปอยู่ที่ที่ถ้าอะไรแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นหลักฐานนั่นที่หนึ่งก็เป็นไปได้ว่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จอยู่แถวๆบริเวณนั้นนั่นแหละทั่วๆไป และยิ่งกว่า น, นั้นอีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสเล่าถึงการบําเพ็ญเพียรของพระองค์ว่าพรองอยู่ในป่าทึบอยู่ในป่าที่รกชัดมากกลางคืนนี่น่ากลัวบางครั้งตอนที่เข้าไปบําเพ็ญเพียรใหม่ๆพระองค์เคยอยู่แต่ในรั้วในวังเวลาเข้าไปประทับในป่านั้นก็น่ากลัวพระองค์ก็ยังเป็นปุตุชนอยู่ในตอนนั้นบางครั้งได้ยินเสียงกรอบแกรบพระองค์ก็สะดุ้งผิดไทย เมื่อจะดุงพระไทยแล้วพระองค์ก็ฝึกพระองค์เองว่าเราจะต้องฝึกตนเองให้หายกลัวพระองค์ก็ใช้วิธีการว่าถ้าเรายังไม่รู้เหตุของสิ่งที่ทําให้เกิดความกลัวนี้เราจะยังไม่ยอมเคลื่อนย้ายออกไปจากที่นี้นี่วิธีการของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ค้นหาให้ได้ว่าเสียงกรอบแกรบที่ทําให้กลัวนั้นคือเสียงอะไรเมื่อค้นพบแล้วพระองค์ก็ค่อยๆหายกลัวไปตามลำดั บ, ดบ แล้วพอต่อมาพง์ก็อยู่ในป่านั้นได้อันนี้ก็เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอันหนึ่งก็คือเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องแสดงว่าสถานที่บริเวณที่พระพุทธเจ้าได้ไปเพิ่เพนเพียนนั้นเป็นป่าทึกซึ่งปัจจุบันนี้เราแทบไม่มองไม่เห็นป่าเลยที่เราเดินกันไปนั้นไม่มีต้นไม้กี่ต้นเลยเป็นแม้แต่ภูเขาก็เป็นภูเขาที่แทบจะโลนเลยมีตะกอนหิน นี่คือความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแวดลอ้อมและทีนี้ลองมามองดูแถวๆนี้ก็ที่นี่ก็เช่นเดียวกันแต่ก่อนนี้ก็เป็นดงสารละตอนสมัยพระพุทธเจ้าประสูตและในคำพนานาในคำพีนั้นพูดถึงเมืองก บ, บิลพัทที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตอนทรงพระยาว์คือเป็นเมืองของพระพุทธบิดาเมืองก บ, บิลพัทนั้นตามคมภีก็บรรยายว่า นอกเมืองออกไปนี้เป็นป่าใหญ่ไปจะหลดจนถึงเขาหิมพานต์และเดี๋ยวนี้มีไมหมเรื่อนรอเมืองกระ บ, บิ่รพัดออกไปจนถึงเขาที่มาไายไม่มีต้นไม้เลยน่ในคำภีร์บอกว่ามีต้นไม้เป็นป่าจะหลดถึงภูเขาหิมาลัยว่าอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือความเ ป, ปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแวดล้อมสถานที่บริเวณนี้เคยร่มรื่นเป็นป่าเป็นพงทีอะไรต่างๆก็ไม่มีเหลือ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรที่ทำทุกรกิริยากิริยาก็เช่นเดียวกันนี้กล่าวต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรไปจนกระทั่งถึงได้ในที่สุดแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางเช่นการตรัสรู้พระองค์ได้ทรงมีโยนิสมรจิการคือการคิดพระองค์ได้ทรงดําหรือว่าหนทางอื่นคงจะมีอีก คือทรงตัดสินพระไยว่าการบำเพ็ญทุกรกิรียาทรมานพระองค์นั้นจะต้องไม่ใช่ทางที่ถูกต้องสิ่งที่เขาบำเพ็ญปฏิบัติกันในการบำเพ็ญทุกขกิรียาทรมานตนเองนะพระองค์ก็ทำอย่างเต็มที่นีงว่าไม่มีใครทำได้ยิ่งกว่า น, นั้นแล้วแต่ก็หาทำให้บรรลุผลคือการตัดรู้ไม่ทรงวินิจฉัยด้วยพระไทยแล้วก็ทรงพระดาริว่าผลทางอื่นคงจะมีอีก แล้วก็จึงทรงหูและลึกไปถึงเมื่อครั้งที่ประทับที่พิธีแรกนาขวัญเข้าที่จําได้ว่าซึ่จะเป็นใต้จนว่าและพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญได้ปฐมวชานทรงคิดว่าอันนั้นอาจจะเป็นหนทางที่เป็นเบื้องต้นในการที่เข้าสู่จุดหมายที่ถูกต้องได้ทรงได้ทรงเปลี่ยนวิธีการใหม่เลิกบําเพ็ญพุทกธกิจและก็ทรงหันมา ใช้วิธีที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาใช้วิธีแห่งปัญญาใช้วิธีที่เรียกว่าทางสายกลางและในการมาเพนเพียนปฏิบัติตามทางสายกลางนั้นเรื่องราวก็ไปปรากฏอยู่ในพระสูตรน้่นบางพระสูตรนี้บ้างกระจายออกไปเช่นอย่างพระองค์ได้ตรวจสอบพระอริไยไตรของพระองค์การเกิดขึ้นแห่งธรม ร, ธรมะกุศลธรรมอกุศลธรรมในพระไตยของพระองค์เองว่าเมื่อพระองค์เองมีสภาพจิตขึ้นมาอย่างนี้ มีใจเศร้าหมองหรือขุ่นมัวมันเกิดจากเหตุอะไรอะไรนี้เป็นต้นหรือจะแก้ไขให้หมดไปได้อย่างไรหรืออย่างทรงสืบสาวว่าสภาพจิตที่เกิดขึ้นเวลานี้เป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาและพระองค์ก็ทรงสืบสาวหาเหตุปัจจัยค้นหาตั้งคําถามแก่พระองค์เองว่าที่เวทนานี้เกิดขึ้นนั้นเพราะอะไรมีเวทนานี้จึงมีมเมื่อทรง ีิจรารณาศึกษาไปก็ทรงเห็นว่าเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีและพระองค์ก็ทรงขั้งตั้งคำถามแก่พระองค์เองตอไปอีกว่าแล้วที่ผัสสะนี้มีล่ะเพราะอะไรมีผัสสะนี้จึงมีและพระองค์ก็ตรวจสอบพระไพรปองกเองศึกษาต่อไปพระองค์ก็ค้นพบอันนี้ก็เป็นวิธีการต่างๆที่พระองค์ได้ใช้ในการที่จะได้ค้นพบสัจธรรม จนกทั่งในที่สุดพระองค์ก็ได้กัสสรูปสมมาสัมโพธิญาณอันนี้อตามาก็นํามาเล่าเพื่อจะให้เราเห็นคติเกี่ยวกับการปฏิบัติและหลักธรรมจริธรรมต่างๆสิ่งที่อาตมาต้องการย้ําในที่นี้ก็คือว่าสิ่งที่เรียวกว่าโยนิโสมรจิตการการที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงแก้ไขความหวาดกลัวอย่างเสด็จประทับอยู่ในกลางป่า แล้วได้ยินเสียงกรอบแกรบขึ้นด้วยความกลัวแล้วพระองค์ก็ใช้วิธีว่าจะแก้ความกลัวด้วยการที่ต้องสืหาให้ได้ก่อนว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดเสียงนั้นหรือทำให้เกิดความกลัวนั้นและพระองค์ก็แก้ไขความกลัวได้วิธีการอย่างนี้ก็เรียกว่าโยนูนใสูงรสิการแลอย่างที่พระองค์ได้บาเพ็ญทุกกิยาจนกระทั่งเต็มที่แล้ว ไม่มีใครทําได้ยริงกว่า น, นั้นแลวพระองค์วินิจฉัยได้ว่านี้ไม่ใช่ทางการตรัสรู้และทรงพระดำริว่าหนทางอื่นคงจะมีหมายความว่าความเป็นไปได้อย่างอื่นคงจะมีไม่ติดอยู่แค่นั้นการที่พระองค์ไม่ติดอยู่แค่นั้นคิดหาทาง อ, ออกว่า อ, อ, อาจจะมีทางอื่นอย่างนี้เก็โยนิโสมรจิตการเหมือนกันด้วและก็การที่พระองค์ได้ทรงพิจารณาเช่นว่าตรวจสอบพระอริไยของพระองค์เองว่า เมื่อสภาพจิตอันนี้เกิดขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยการคิดพิจนารณาอย่างนี้ก็เรียกว่าโยนิสมรจิการเพราะนั้นโยนิสมรจิการนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นกระท่งพระองค์ได้ตรัดไว้บอกว่าปัจจัยแห่งสมาธิถี่นั้นมีสองประการคือ 1. กระโตโคส์เสียงจากผู้อื่นเสียงบอกเล่าเช่นจากลยา น, นมิตร และประการที่สองปัจจัยภายในคิโยนิสม์และสิการและก็มีหลักอยู่ด้วยบอกว่าสําหรับคนทั่วไปนั้นต้องอาศัยปรโตโขโะเป็นสําคัญคนทั่วไปที่จะโยนิสม์และสิการขึ้นมาเองนั้นเป็นปได้ยาส่วนมากแล้วต้องอาศัยการบอกเล่าแนะนําสั่งสอนจากคนอื่นก็มีบุคคลพิเศษก็พระพุทธเจ้าและพระปฏจเสกพุทธเจ้านี้เป็นแบบอย่างที่ว่ามีโยนิสม์และสิการ เริ่มตั้งแต่ก่อนที่จ ะ, สะเสด็จออกบรรพ ช, ชาพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเกิดมาก็อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกับคนอื่นเจ้านายในวังประชารชารเกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับพระองค์เขาก็เห็นความเป็นไปในโลกความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายความเป็นไปของชีวิตผู้คนเขาก็ไม่เห็นอะไรแปลกเขาก็อยู่กันมาอย่างนั้น แต่เจ้าชายสิทธัตถานีมองเห็นสิ่งเดียวกับที่คนอื่นเห็นมองเห็นความเป็นไปในชีวิตของคนต่างๆในสังคมนี้อย่างเดียวกับที่คนอื่นเขาประสบแต่พระองค์มีความคิดที่แปลกกับคนอื่นความคิดที่แปลกกับพระองค์อื่นนี่แหละทำให้พระองค์เสด็จออกบรรพชาความคิดอย่างนี้จะเรียกว่าโยนิสมนสิการท่านบอกว่าคนที่จะมีโยนิสมนสิการขึ้นมาอย่างนี้ต้องเป็นคนพิเศษ เช่นอย่างพระพุทธเจ้าและพระปฏิกรพุทธเจ้าการตรัสรู้จึงเกิดขึ้นได้แต่ว่าสําหรับคนทั่วไปเมื่อได้อาศัยประโต โ, ตโคลสัเสียงแนะนําชักจูงจากคนอื่นแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดโยนิสงสิกายขึ้นมาในตนเองเมื่อเราได้รับคําแนะนําสั่งสอนแล้วเรารู้จักคิดพิจารณาต่อจากนั้นเราเอาคําแนะนําสั่งสอนของท่านผู้อื่นเช่นของพระพุทธเจ้ามาพิจรารณาไต่ตรองเราก็เกิดโยนและสิกายของตนเอง และเราก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเข้าใจสัจธรรมได้นะตัวปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องโยนิสงสิการ น, นี้ในบรรดาโยนิสงสิการนั้นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความคิดการรู้จักคิดรู้จักพิ จ, จรารณาบางทีเราไปสอนกันว่าในทางพุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรมเช่นอย่างวิวปัสสนาเนี่ยไม่ให้คิดอันนี้อาจจะพลาดได้เพราพระพุทธเจ้านี่ ที่ตรสรู้นี่ได้การคิดนะแต่รู้จักคิดอยู่ที่คิดเป็นอย่างที่อาตมายกตัวอย่างเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าทรงคิดตลอดเลยเช่นอย่างสภาพจิตของพระองค์เองนี่อันนี้เกิดขึ้นเป็นกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลดีหรือผลร้ายแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะอะไรเป็นปัจจัยสภาพจิตนี้จึงเกิดขึ้น เ, เพราะองค์คิดเท่านั้นเลยแต่คิดจะของจริงคือมีการตรวจสอบ เพราะนั้นต้องแยกกับความคิดมีสองอย่างคือความคิดปรุงแต่งกับความคิดที่เป็นความคิดเชิงปัญญาที่เรียกว่าศึกสาวหาเหตุปัจจัยเป็นต้นความคิดที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแนะนำให้เราคิดทรงแนะนำให้เราละเสียก็คือความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งคือความคิดอะไรมีความคิดด้วยอนาจความยินดียินร้ายชอบชังหมายความว่าคนเราเนี่ย ได้ประสบอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาประสบอารมณ์นั้นนอกจากการรับรู้แล้วก็จะมีสิ่งหนึ่งคือความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาสิ่งใดที่เข้ามาแล้วเป็นที่สบายเราก็เรียกว่าเกิดสุขเวทนาอันใดที่ไม่สบายเราเรียกว่าเกิดทุกขเวทนาสิ่งทั้งหลายที่เรารับรู้ทุกอย่างจะมีความรู้สึกประกอบอยู่ด้วย เวลาเราเห็นเราไม่ใช่เฉพาะว่าเห็นรูปร่างเห็นสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงรูปร่างกลมยาวเหลี่ยมเท่านั้นเราไม่ใช่แค่นั้นทุกครั้งที่เราได้ดูได้เห็นนั้นเรามีความรู้สึกด้วยคือมีความรู้สึกสบายไม่สบายอันนี้แหละเป็นจุดสำคัญในะความรู้สึกตัวนี้ที่เรียกว่าเวทนาจะทาให้เราเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าความชอบหรือไม่ชอบ หรือยินดีริม ย, ยินร้ายภาษาพระเก่าที่เรียกว่ายินดียินร้ายถ้าไปสุขเวทนาสบายเราก็มักจะชอบใจหรือยินดีถ้าหากว่าเป็นทุกขเวทนาเราก็ไม่ชอบใจเรียกว่ายินร้ายโยมต้องแยกให้ได้สองตอนที่ว่าสบายกับยินดีหรือสบายแล้วชอบใจเนี่ยคนละตอนกันตอนสบายเป็นเวทนาเป็นฝ่ายรับยังไม่ดีไม่ชัว่วไม่เป็นกุศลไกุศล สบายไม่สบายสุขทุกข์อันนี้ไม่เป็นกุศลอกุศลนะยังเป็นกลางๆเป็นเวทนาแต่เมื่อไรเกิดปฏิกิริยาว่าชอบหรือไม่ชอบอันนี้เกิดตัณหาแล้วนะตัณหาอันนี้เป็นปฏิกิริยาเป็นสภาพจิตที่เป็นสังขารแล้วก้าจากเวทนาเป็นสังขารแล้วเวทนาสุขทุกขสบายไม่สบายเป็นเวทนาแต่ชอบใจไม่ชอบใจเป็นสังขาร พอเราเกิดสังขารชอบใจไม่ชอบใจก็คือเกิดตัญหาขึ้นมาปัญหานี้เป็นสังขารด้วยตอนนี้แหละจากนี้เราจะคิดถ้าชอบใจเราก็คิดตามอำนาจความชอบใจถ้าไม่ชอบใจเราก็คิดตามอำนาจความไม่ชอบใจความคิดอย่างนี้เรียกว่าความคิดปรุงแต่งจะเกิดความเอ็เอียงจะเกิดปัญหากับจิตใจจะมีตัวตนที่รับกระทบอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดเชิงปัญญา คือพิจารณาว่าอะไรเกิดขึ้นจึงเป็นอย่างนี้อันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรศึก ส, สาวหาเหตุปัจจัยอันนี้ไม่ใช่คิดปรุงแต่งอันนี้เป็นการคิดเชิงปัญญาเป็นคิดสึกษาวตามหลักปฏิจจสมบสตเป็นต้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงคิดในตอนที่ปรัสรู้ดังนั้นโยมต้องแยกให้ถูกว่าความคิดมีสองแบบเราไม่ควรจะคิดเชิงปรุงแต่งเพราะว่าทาให้หนึ่ง ไม่เกิดปัญญาไม่เห็นตามเป็นจริงเห็นตามอำนาจความอยู่ดียินร้ายเกิดความลำเอียงไปตามความชอบชังสองเกิดโทษต่อชีวิตจิตใจทำให้จิตใจคุณมัวเศร้าหมองทับแขบบีดท่านอะไรต่างเป็นต้นอาตมายกมาพูดเพราะว่าเป็นคติที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้ขอย้อนมาเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ ก็เข้าถึงสัจธรรมความจริงที่อาจามาได้เคยพูดไปแล้วบอกว่าในพระพุทธศาสนานี้เรายึดถือตัวธรรมคือว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่อะไรตรัสรู้อะไรบอกแล้วว่าตรัสรู้ความจริงที่ไม่อยู่ตามธรรมดา mm. คือธรรมะเป็นความจริงของสิ่งทั้งหลายตามธรรมชาติป็นกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น สิ่งทั้งหลายก็ดำลงอยู่อย่างนั้นเองพระพุทธเจ้าของเรานี้พระองค์มีปัญญาแล้วก็มารู้ค้นพบความจริงนั้นแล้วก็มาประกาศทำให้ปรากฏขึ้นอันนี้จึงถือเป็นการปฏิวัติเพราะโลกสมัยก่อนความเชื่อถือของคนในยุคพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นนั้นไม่ได้ถืออย่างนี้เขาไม่ได้ถือตัวธรรมะเขาไม่ได้ถือว่าสิ่งทั้งหลายนั้น เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เป็นกฎธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดาเขาเหมืนแต่เขาถือว่ามันเป็นไปตามการดนบรรดาเขงเทพเจ้ามีเทพเจ้าอยู่เบื้องหลังมีพระพรหมเป็นปผู้ปรุงแต่งผู้สร้างเรื่องนี้ก็เลยโยงมาหาเรื่องการประสูตรด้วยเรื่องการประสูตรกับการตรสัสรู้นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันในตอนนี้ด้วยก็ขอพูดย้อนมาที่การประสูตรอีกทรั้งหนึ่งวันนี้จะพูดโยงกันไปโยงกันมานะเรื่องประสูตรบ้างเรื่องตรัสรู้บ้าง ถ้ามีเวลาก็พูดไปถึงเรื่องประกาศปฐมเทศนาและก็บปริมิตรานเมื่อพระเจ้าชายสิทธัตถะประสูตินั้นมีเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งก็คือการที่ตำนานเล่าว่าเจ้าชายสิทธัตถะองค์น้อยประสูติแล้วก็ดำเนินไปเจ็ดเก้าบนดอกบัวแล้วก็ได้เปล่งอาสภิวาจา ว่าอโคหมัสสมิโลกัสสะเสดโหมัสสมิโลกัสสะเสดโหมัสสมิโลกัสสะแปลว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นพี่ใหญ่แห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกอันนี้เรียกว่าวาจาอาถรรภาษาบาลีเรียกว่าอาสุิวาจาวาจานี้มีความหมายอย่างไรการประสูิฐของเจ้าชายจิตติท หมายถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าต่อไปถ้าไม่มีเจ้าชายสิทธัตถะเกิดขึ้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าการเกิดขึ้นของเจ้าชายสิทธัตถานี้เป็นเกิดมาเป็นมนุษย์และมนุษย์ผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าการเป็นอาสภิวาจานี้มีความหมายที่จะมาถือว่าเป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มนุษย์ชาวชมพูทวีปนั้น ฝากโชคชะตาชีวิตไว้กับพระพรหมและเทพเจ้าทั้งหลายอย่างที่เคยเล่าให้โยมฟังแล้วบอกว่าชาวอินเดียนี้เขาเชื่อในพระพรหมว่าเป็นผู้สร้างโลกลุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตสังคมมนุษย์นี้แล้วแต่พระพรหมจะบันดาลเพราะฉะนั้นคนเกิดมาก็ต้องตกอยู่ในวันณะสี่แล้วเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าพระพรหมนี้จัดสรรสังคมมนุษย์ไว้เสร็จแล้วนี่แบ่งมนุษย์ไว้ว่า พระองค์สร้างมนุษย์จำพวกหนึ่งขึ้นมาจากพระโอทคือปากของพระองค์มนุษย์จำพวกนี้เกิดมาเรียกว่าพรานนี่สร้างมาจากปากพระพรค์และพระองค์ก็สร้างมนุษย์จำพวกหนึ่งจากพระพาหาคือแขนของพระองค์พวกนี้เกิดมาแล้วเป็นนักรบเรียกว่าพวกกษัตริย์และพระองค์ก็สร้างมนุษย์จำพวกหนึ่งมาจากตะโพกของพระองค์พวกนี้เดินเก่งมาเป็นพ่อค้าผานิสเที่ยวนำกองเกวียนไปค้าขายในที่ต่างๆ นี่เรียกว่าวั น, นะแพทย์แล้วพระองค์ก็สร้างมนุษย์จำพวกหนึ่งขึ้นมาจากพระบาทของพระองค์เกิดมาเป็นพวกรับใช้เขาเรียกว่าวั น, นะสุนี่เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาเรียบร้อยหมดกําหนดมาคนเกิดมาต้องอยู่ในวั น, นะสี่แล้วเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องอ้อนวอนเทพเจ้าขอผลเอาอเอาใจให้พน้นภัยหรือก็ให้ได้ลาบสการะสิ่งที่ต้องการ คนต่างๆก็เอาใจเทพเจ้าอัวบวงส่งอ้อนบอนกันไปกันมาไม่รู้จะทำไงให้เทพเจ้าพอใจเนี่ยคืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วมันไม่มีจุดกําหนดว่าแค่ไหนเทพเจ้าจะพอใจเลยปรุงแต่งวิธีเอาเอาใจเทพเจ้าจนเป็นวิธีบูชายันบูชายันกันไปกันมาวิธีบูชายันก็ใหญ่โตขึ้นแล้วพรามนี่เขาเป็นเจ้าวิธีนี่เขาถือว่าเขาเป็นผู้ติดต่อกับพระเจ้า นะเพราะว่าเป็นบุคคลพิเศษชั้นสูงสุดสร้างมาจากปากพระพรหมพราะมีหน้าที่ที่จะมากล่าวสอนคนอื่นแล้วพระพรหมก็จะได้ถ่ายทอดความรู้สิ่งที่ต้องการมาทางพวกพรามนี้พรามพวกนี้ก็มาเที่ยวกาหนดให้ชาวบ้านทําวิธีต่างๆว่าจะต้องวิธีบูชายันญ อ, อย่างนั้นอย่างนี้ประดิษฐ์ประดอยพิธีบูชายัญจนกระทั่งว่าในที่สุดก็ต้องฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์บูชายัญเอาอใจกันขนาดนั้น นี่แหละก็เป็นสภาพของมนุษย์ในยุคพุทธกาลตามอานาจครอบงมของศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีอิทธิพลในสังคมอินเดียมาจนกระทั่งบัดนี้สังคมที่มอบความไว้วางใจไว้กับเทพเจ้าฝากความหวังไว้กะดานโดนบรนดาลของเทพเจ้าจะเป็นอย่างไรก็ให้ดูสังคมอินเดียเป็นตัวอย่าง <c oughs> ก็พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมา ก็มองเห็นสภาพอันนี้พระองค์ก็เห็นว่าสังคมอย่างนี้ไปไม่รอดชีวิตก็ไปไม่รอด <c oughs> คือคนมองไปแต่ข้างนอกคิดแต่ว่าเออพระเจ้าท่านจะว่ายังไงจะเอาอกเอาใจท่านยังไงดีแทนที่จะคิดว่าตัวเราจะต้องทําอะไรและเราจะต้องทําอะไรกับตัวเราสองอย่างนี้นะไม่คิดนะเราจะต้องทําอะไรและเราจะต้องทําอะไรกับตัวเรานคนไม่คิดเลยคิดแต่เพียงว่าเราจะไปเอาใจพระเจ้าอย่าง น่าเราจะขอท่านอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จอุบัติขึ้นมาแล้วก็อย่างที่จะมาได้เคยเล่าให้โยม ฟ, ฟังแล้วพระพุทธเจ้าก็ดึงจากเทพสูตรธรรมนี่คือชี้ให้มนุษย์ดูว่านี่นะท่านทั้งหลายอย่ามัวไปมองข้างนอกมองไปที่เทพเจ้าสิ่งทั้งหลายนั้นมันเป็นไปนตามธรรมดาเหตุปัจจัยของมันผลเกิดจากเหตุะฉะนั้น ถ้าเราต้องการผลอะไรที่เราต้องการเราก็ทําเหตุเอาศึกษาเหตุให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามเหตุนั้นก็ให้ดูความจริงเมื่อดูความจริงตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็เล็งมาที่ตัวเองว่าจะต้องทําอะไรเนีเพราะเราจะต้องทําเหตุเพื่อให้ได้ผลที่เราต้องการเราจะต้องถามว่าเราจะต้องทําอะไรนอกจากทําอะไรแล้วเพื่อให้เรารู้เหตุปัจจัยที่จะทําให้ถูกต้องเราจะต้องทําอะไรกับตัวเราด้วย เราจะต้องทำตัวเองโดยการพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นหลักการของพุทธศาสนาจึงขอย้ำอีกทีว่าพระพุทธเจ้าได้ชี้ไปที่ตัวธรรมะคือความจริงของเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติแล้วในความจริงของกฎธรรมชาตินี้ที่สัมพันธ์กับตัวมนุษย์เหตุปัจจัยนั้นก็คือการกระทาของเราเองการกระทาเหตุปัจจัยของมนุษย์นั้นเรียกว่ากรรม จึงได้บอกว่าภายในธรรมะนั้นก็จะมีกรรมธรรมะนั้นเป็นกฎใหญ่คือความจริงของกฎธรรมชาติความเป็นไปก็เหตุปัจจัยทั้งหมดส่วนกรรมนั้นก็คือกฎเกณฑ์ในเหตุปัจจัยในส่วนที่สัมพันธ์เกิดชีวิตของมนุษย์ที่มนุษย์จะต้องทําแล้วก็กรรมนั้นล่างกับเรื่องของการโดนบรรดาลถ้าเป็นการโดนบรรดาลก็เทพเจ้าสิ่งที่มนุษย์ต้องทําคือการอ้อนวอนนคู่กัน การดนบันดาลรรของเทพเจ้าคู่กับการอ้อนวอ น, อ น, อ น, อนแต่การกระทําของมนุษย์คู่กับความเพียรพยายามใช่ไหมการกระทําของมนุษย์คู่กับความเพียรเมื่อมนุษย์จะทํามนุษย์ต้องเพียรพยายามสองอันนี้มันหลักนี่มันไปคนละทางเทพก็ไปสู่การดนบันดาลและโยมมหาการกระทําของมนุษย์คือการอ้อนวอนส่วนหลักธรรมะนั้นโยมมหามนุษย์คือกรรมและหลักกรรมก็โยมมหาความเพียร เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานั้นมีชื่อว่ากรรมวาฏะและวิริยะวาฏะพระพุทธเจ้านั้นได้พนามว่ากรรมวาถี athi, วิริยะวาฏีสองอันนี้คู่กันเลยกรรมวาฏีผู้ประกาศหลักกรรมและวิริยะวาฏีผู้ประกาศหลักความเพียรสองอย่างนี้คู่กันเป็นพนามของพระพุทธเจ้าในคำภีร์จะพูดไว้อย่างนี้หลักกรรมต้องมากับความเพ Bar ียรเพราะมนุษย์จะทําเหตุให้ได้ผลมนุษย์ต้องมีความเพยยียรเพียรอย่าง แต่ว่าการที่มนุษย์จะทําความเพียรได้สําเร็จผลมนุษย์จะต้องรู้เหตุปัจจัยเพราะว่าไอตัวที่จะให้สําเร็จผลก็คือกฎธรรมชาติเป็นตัวทำดัง น, นั้นมนุษย์จะทําการได้ผลดีมนุษย์ต้องมีปัญญารู้รำเมื่อปัญญามนุษย์จะรู้ทำมนุษย์ก็ต้องพัฒนาตนจึงบอกว่าต้องมีศึกขาคือการฝึกฝนพัฒนาที่ว่ามาแล้วแต่ว่าพอดีว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาได้ เป็นธรรมะเป็นทอดทหารนัตบาก็ทวนอีกครัง้งหนึ่งนะก็เลยเป็นสัตว์ที่ว่าฝึกได้เป็นธรรมะจนกระทั่งรู้ธรรมะที่เป็นทอดทองเราจะระลึกได้ว่าในพระนามพุทธคุณของพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่งว่าอนุตตรโอปุริสธรรมสารถิโยมสังเกตไหมว่าในอนุตตรโอปุริสธรรมสารถินั้นมีคำว่ธรรมะทอดทหารอยู่อันนี้คนไม่ค่อยดู ธรรมะทศฐารนี่แหละตัวสําคัญแหละพวกเราเนี่ยเป็นธรรมะทศฐารทั้งนั้ น, เ, นเป็นสัตว์ที่จะต้องฝึกและฝึกได้ด้วยนะความเก่งกล้าของเราอยู่นี่ความประเสริฐของเราอยู่ที่นี่อยู่ที่ธรรมะทศฐารในพุทธคุณอว่าอนุตโรปุริสธรรมสารถิพระพุทธเจ้าเป็นสาร ถ, ถีฝึกคนที่จะต้องฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าหรือยอดเยี่ยมก็คือฝึกมนุษย์ทั้งหลายนี่เอง เป็นสารถีก็คือว่าฝึกให้เขาเดินทางที่ถูกต้องสารถีนี่ฝึกให้สัตว์นี่เดินทางไปทางถูกต้องนี่เราก็เป็นธรรมะทอทหารนี่ก็เราก็ฝึกตนเองไปจนกระทั่งว่าเราเข้าถึงธรรมะทอทงชีวิตก็สมบูรณ์ธรรมะตัวนี้ก็กลายเป็นพุทธะอย่างที่เคยพูดไปแล้วในวันที่อยู่ที่พุทธคยาเรื่อขออันนี้ก็ขอนำมาทวนยา้าอีกทีหนึ่งนี้ก็ไปอ่านว่าที่พระพุทธเจ้าประสศุ ตอนแรกเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนั้นเป่งอาสภิวัจจาก็คือประกาศอิสรภาพของมนุษย์ว่ามนุษย์นี่อย่าไปมัวขึ้นต่อพระพรหมไปหวังอำนาจดนบรรดาลมัวแต่บูชายันอยู่ให้มามองที่ตัวธรรมะตัวความจริงสัจธรรมกฎธรรมชาตินี้ให้พัฒนาปัญญาของตอนขึ้นมาพอพัฒนาปัญญาของตอนขึ้นมามนุษย์เข้าถึงตัวธรรมะรู้ตัวความจริงมนุษย์ก็กลายเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นพุทธะได้ ก็กลายเป็นผู้ที่แม้แต่เทวดาและพระพรหมจะคารวบบูชานะอย่างที่เราได้เห็นพุทธพจน์อยู่บ่อยๆว่าอย่างมนุษย์สภูตางสัมพุทธังอัตทันตังสมาหิตั ง, ตงเทวาปินมัสสันติอตามายกบ่อยคาถานี้บอกว่าพระสามพุทธเจ้านี้ทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ได้ฝึกฝน พ, นพัฒนาพระองค์แล้วมีพระไทยอบรมถึงที่แล้ว แม่เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการอันนี้แหละเป็นคาถาที่จะมีบ่อยๆคือให้กําลังใจมนุษย์ว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ในการฝึกถ้าเราฝึกแล้วเราก็จะเป็นพุทธะเป็นสัตว์ประเสริฐได้คืออย่าไปมัวหวังการอ้อนวอนโดนบรรดาและเสร็จแล้วก็ไม่ได้พิจารณาว่าตนเองจะต้องทําอะไรและต้องทําอะไรกับตนเองถ้าเราทําตามหลักธรรมะนี้เราก็จะได้มาคิดมาพิจารณาเหตุผลว่าเราต้องทําอะไรน เรื่องของมนุษย์นี้มันมีความอ่อนแออย่างหนึง่งคือมีใจโน้มเอียงไปในทางที่ไม่อยากจะเพียนพ ย, ายาัยชนะอยากจะพึ่งพาปัจจัยภายนอกมันง่ายดีนาะอ่อนบอนมันง่ายดีกว่าจะทําความเปลียนด้วยตนเองเพราะนั้นถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะไม่มีหลักที่ให้กําลังใจเนี่ยเราจะเขว้เรื่อยนะโยมนั้นเราจึงต้องมีพระธรรมตรัยไว้ไงไม่ ง, งั้นคนทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรอก แต่มีศรัทธาก็เพื่อจะได้กำลังใจอันนี้เราจะได้อยู่ในหลักได้อย่างน้อยก็ดึงไว้อย่าให้เขวออกไปไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็เอาตามความอ่อนแอความง่ายๆของตัวเองก็หันไปหาการพึ่งพาปัจจัยภายนอกอำนาจโดนบันดาลอยู่เรื่อยมันง่ายดีหลักพระพุทธศาสนาก็เป็นหลักที่ให้มนุษย์เนี่ยได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอถ้าเรารู้จักใช้หลักคาสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามอยู่เสมอแล้วเราจะก้าวหน้าพัฒนาไปเรื่อยๆนะไม่รู้จักหยุดหย่อนก็จะเป็นพุทธะได้เช่นเดียวกับพระองค์นี่ก็ขอพูดไปนิดหนึ่งว่าที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความโน้มเอียงที่ชอบที่จะหาสิ่งมาพึ่งพาไม่ชอบพึ่งตนเองอันนี้ สิ่งที่จะพึ่งพาทําให้เราอย่างน้อยก็สบายใจอยู่ง่ายๆมีความเพลินไม่ต้องทําความเพียรเนี่ยได้กับสิ่งกล่อมทั้งหลายเวลามีความลําบากมีความทุกข์ขึ้นมาก็มาอยากจะเพียรพยายามน่ยก็ใช้สิ่งกล่อมคนเรานี่มีความโน้มเองที่จะอาศัยสิ่งกล่อมสิ่งกล่อมนี่อย่างเร็วก็มีอย่างดีก็มี สิ่งกล่อมที่ร้ายก็เช่นสุรายาเมาสิ่งเสพติดเห็น ไ, ไหมคนที่ไปเอาสิ่งกล่อมสุราเมลัยสิ่งเสพติดก็เพราะว่าใจไม่เข้มแข็งพอไม่อยากสู้ชีวิตไม่อยากเพียรพยายามหาทางออกด้วยการเอาสิ่งกล่อมมาช่วยมันก็ทําให้เพลินไปก็อยู่ไปได้นะแต่ว่ามีจุดอ่อนในสิ่งกล่อมทั้งหลายในมีจุดอ่อนสําคัญคือ มันจะทำให้มนุษย์นี่หยุดชะงักการพัฒนาตนเองขอให้ดูสิ่งกล่อมไม่ว่าอย่างใดทั้งสิ้นเนี่ยทำให้มนุษย์หยุดการพัฒนาตนเองเคลิ่นอยู่กับจุดนั้นจมอยู่ในสิ่งที่กล่อมอยู่ในจุดนั้นสบายพออยู่ได้อันที่หนึ่งก็คือเครื่องกล่อมอ้อและลักษณะที่สองก็คือไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีความสว่างแห่งปัญญาไม่มีปัญญาและไม่พัฒนาตนต่อไป เขาก็เพลินอยู่กับสิ่งนั้นนั่นสิ่งกล่อมที่ร้ายก็คือพวกยาเสพติดสุราย า, มาเมานีอันนี้โยมเห็นชัดใช่ไหมเขาก็สบายเพลินไปพอว่าคนเวลานั้นไปทีหนึ่งให้อยู่กับอย่างน้อยก็มากรบความทุกข์ไว้แต่ก็ไม่แก้ปัญหาให้มันเสร็จสิ้นไปนี่ความสิ่งกล่อมที่ดีขึ้นไปกว่า น, นั้นเนี่ยก็อย่างพวกดนตรีวรรณคดีอะไรต่างๆพอให้มันเพลิน พวกสิ่งเหล่านี้มันประนีคือมาคือถ้ารู้จักใช้ก็อาจจะเป็นประโยชน์อย่างในทางพทุทธศาสนานี่ดนตรีท่านใช้เหมือนกันนันเลยนะแต่ขออย่างเดียวต้องมีสติคือในระดับศีนห้าพระพุทธเจ้าจะไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่าอย่างน้อยถ้าหากว่ามันกล่อมและมันช่วยดึงไว้ไม่ให้หลงไปในสิ่งเลวร้ายยังหลงอยู่กับสิ่งที่ดีก็ยังดีกับหลงไปในสิ่งที่ร้าย หลงในกุศลก็ยังดีกับหลงในอกุศลหลงในบุญก็ยังดีกับหลงในบาสนี่เพราะฉะนั้นพวกดนตรีวันณคดีนี่ก็อาจจะกล่อมคนไว้ในสิ่งที่ดีในบุญในกุศลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอกล่อมไว้แล้วก็รีบหาสิ่งที่ดีมาให้ในระหว่างนั้นในขณะที่ใจเขาเนี่ยพอจะสงบความกระวธกระวายลงได้ก็รีบเอาสิ่งที่ดีมาให้เช่นอย่างในวันคดีนี่อ่านเพลินๆ แล้วเราเอาคติธรรมอะไรต่งางๆใส่เข้าไปเนี่ยเขาก็อาจจะได้ประโยชน์ดนตรีก็เหมือนการพระพุทธเจ้าเคยแต่งดนตรีให้มานบนะเรื่อยๆเอาไปร้องนะเอาไปเกี้ยวสาวเรื่อยๆนะและดนตรีเป็นพระ ส, สูตรหนึ่งเลยก็มีนะพระ ส, สูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกนั้นเป็นพระ ส, สูตรดนตรีเลยนะเป็นเทพประบุแก่ก็เอาดนตรีนี้ไปเกี้ยวแฟนแกนะ ในดนตรีนี้ก็พนานาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้ว ย, ยได้ความซับซึ้งอะไรต่างดนตรีที่กล่อมนี้ถ้าเราใช้สิ่งที่ดีงามเข้ามาเช่นธรรมะก็เป็นเครื่องดึงจิตใจของคนเนี่ยให้มาสู่สิ่งที่ประณีตนดงามยิ่งขึ้นเป็นจุดเชื่อมต่อดึงจากสิ่งที่ร้ายมาสู่สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็ใช้ประโยชน์ได้ฉะนั้นสิ่งที่กล่อมนี้ก็ขออย่างเดียวอย่าให้มัวหลงเพลินอยู่ แล้วผู้ที่ใช้ต้องมีอุบายคือมีสติปัญญาแล้วก็ใช้เป็นเครื่องดึงเขาขึ้นมาสู่ทิศที่ดีงานทีนี้สิ่งที่กล่อมต่อไปก็คือนี่แหละความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าอำนาจดนบรรดาลในคนเรานี่ก็เกิดทุกข์ภัยิบัติมีความเดือดร้อนก็หวังถึงเทพเจ้าว่าวันนั้นท่านคงจะมาช่วยกระสบายใจไปใช่ไมโยนะมันก็กล่อมใจตัวเองได้ แต่ทีนี้มันจะมีพิษมีภัยยังไงถ้าตัวเองมัวจะเชื่ออย่างนั้นก็นอนงอมืองอเท้าสิใช่ไหมไอ้อะไรที่ควรจะแก้จะไขจะทําก็ไม่ต้องทำนะก็เลยแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็อยู่สบายไปวันวันหนึ่งนมนุษย์จมุวนมากก็อยู่ได้สิ่งกลับประเภทนี้คืออยู่ด้วยความหวังออวันหนึ่งเท พ, พเจ้าท่านจะมาช่วยอย่างของอินเดียเนี่ยเทพเจ้าเยอะแยะหมดเลยแล้วก็มีเทพนิยาย ระเทพเจ้านี่ท่านเก่งแม่องค์นั้นก็เก่งอย่างนี้อย่างนั้นยกทัพไปนาะวีอิทธิฤทธิ์แข็งฤทธิ์ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้อยพวกประชาชนที่ฟังเทพนิยายเหล่านี้มีความตื่นเต้นในฤทธิ์ของเทพเจ้าก็ชื่นบานสบายใจไปทีหนึ่งนะพอจะให้ลืมสภาพเป็นรองเทพบดีคันตัวเองไปได้ใช่ไหมลุงขอเป็นอย่างนั้นนะ เนี่ยเขาก็ตื่นไปการเรื่องริดของเทพเจ้าก็กล่อมใจตัวเองสบายไปทีเลยอย่างพวกฝรั่งอย่างลทัทธิคอมมอนนิสต์เนี่ยไม่เห็นศาสนาแบบนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นพวกยาฟินแต่พุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นพวกคอมมอนนิสต์นี่ไม่รู้จักพุทธศาสนาก็เลยไปเห็นแต่ศาสนาแบบนี้ก็เลยหาวเป็นฟินไปก็กล่อมกันแบบนี้แกก็ไม่ต้องทําอะไรละไม่ต้องเพียรพยายามปัญหาก็หมักบ่มเข้าไปทุกที เรื่องของการกล่อมนี่ก็เรื่องนี้เรื่องใหญ่ทีเดียวเรื่องการกล่อมด้วยเรื่องของการเชื่อในอิทธิฤทธิ์การโดนบรรดาของเทพเจ้าทีนี้ศาสนาบางศาสนาก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มากล่อมแล้วใช้อุบายเข้าไปช่วยใช้อุบายยังไงบอกว่าให้แกหวังไว้นะเทพเจ้าจะมาช่วยจะบอกว่าจะให้แผ่นดินแห่งสัญญาณนะแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ระหว่างนี้แกต้องช่วยตัวเองไปก่อนว่าเ น, นนะนะ กรบแบบนี้ก็หมายความว่าเออให้มีความหวังไว้นะีแล้วต่อไปวันหน้านั่นจะมาช่วยแต่ตอนนี้ไม่ช่วยนะเนะี่ยตอนนี้ต้องช่วยตัวเองไปก่อนและอย่างบางศาสนาก็สอนว่าพระเจ้าจะช่วยแต่คนที่ช่วยตัวเองใช่ไหมแต่เสร็จแล้วก็กล่อมไว้โซนหนึ่งแต่ว่าเสร็จแล้วก็ต้องมาบังคับไอ้ว่าพวกเธอต้องช่วยตัวเองก็มันก็เป็นอุบายไปนะีก็ทําให้คนในที่สุดมันก็หนีไม่พ้นคือคนต้องเพียรพยายามด้วยตนเอง นี่ก็คือการกล่อมแต่นี้การกล่อมอีกอย่างหนึ่งชาวพุทธเองนี่ต้องระวังชาวพุทธปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปบางทีก็มากล่อมตัวเองด้วยธรรมะที่ลึกซึ้งลงไปอีกคือสมาธินี่แหละเรื่องของปฏิบัติธรรมไปเราบอกว่าทำให้เกิดสมาธิสมาธินี่เป็นธรรมะระดับรุงแต่งนะเรื่องของ คือพระพุทธเจ้าไม่ห้ามในการปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งเป็นนี่ก็ดีเป็นประโยชน์มนุษย์เราเนี่ยอยู่ด้วยการปรุงแต่งเนี่ยมากแต่ว่าให้ปรุงแต่งให้ดีเมื่อกี้นี้อาจจะมาได้พูดแล้วว่าการคิดมีสองอย่างคือการคิดปรุงแต่งกับการคิดเชิงปัญญาเช่นศึกษาหาเหตุปัจจัยทีนี้ในการคิดแบบปรุงแต่งนั้น ก็ไม่ใช่ว่าจะเสียอย่างเดียวที่ดีก็มีคือการคิดลรุงแต่งกุศลขึ้นมาการคิดเชิงปัญญานั้นเป็นเรื่องวิปัสสนาแต่การคิดเชิงปรุงแต่งที่เป็นตัวร้ายท่านเรียกเป็นภาษาพระว่า อ, อุบุญญาพิสังขายปรุงแต่งใจให้เป็นทุกข์บีบท่านใจตัวเองปรุงแต่งความโลภความโกรธเห็นอารมณ์ ที่ไม่สบายตาแล้วเกิดความทังเกิดความยินร้ายเกิดความไม่สบายใจเก็บเอาสิ่งโน้นถ้อยคำคนนี้มาคิดมาปรุงแต่งทำให้ใจตัวเองมีความทุกข์ปรุงแต่งความกลุ่มความกังวลอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าปรุงแต่งอกุศลเป็นอบุญญาพิสังขารทีนี้ปรุงแต่งดีปรุงแต่งเป็นบุญปรุงแต่งเป็นความสุขทำให้ใจสบายท่านเรียกว่าปุญญาพิสังขาร มนุษย์เรานี่อยู่ในระดับของปุจุชนนี้ไม่พ้นการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปติตเตียนการปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงให้ปรุงแต่งดีเถิดปรุงแต่งเป็นบุญเป็นกุศลทําใจให้มีสุขปรุงแต่งให้สบายปรุงแต่งความดีท่านไม่ว่าเป็นปุญญาภิสังขารแม้กระทั่งเจริญสมาธิได้ก็ยังเป็นอภิสังขารปรุงแต่งอยู่นั่นแหละจนกระทั่งถึงอรูปฌานยังเป็น อเนนชาพิสังขารไม่พ้นการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นสมาธิที่เราบําเพ็ญกันเนี่ยอย่าว่าแต่สมาธิธรรมดาเล็กน้อยเลยสมาธิขนาดอารูปฌานได้สมาบัตสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นปรุงแต่งอยู่เป็นอเนนชาพิสังขาร น, นีการปรุงแต่งอย่างนี้ก็ทำให้จิตพัฒนาไปได้ดีแต่ว่าก็ต้องระวังต้องมีสติอยู่เสมอถ้ามฉะนั้นแล้ว มันก็เป็นการกล่อมสมาธินี้ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเราก็มาใช้เป็นเครื่องกล่อมจิตใจได้เพราะฉะนั้นคนที่บำเพ็ญสมาธิไปได้เนี่ยอาจจะเพลินกับสมาธิในเลยพอเพลินทีนี้พอได้สมาธิเขาก็สบายนะก็ติดเพลินแล้วหายทุกข์หายร้อนลบปัญหามีปัญหาอะไรจะอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เออมานั่งสมาธิใจสบาย มีความสุขเพลิดเพลินติดในความสุขนั้นนี่กล่อมเหมือนกันนะกล่อมได้สมาธิเป็นโยคีแบบพวกฤษีดาบทก่อนพุทธกาลนะได้ฌานสมาบัติแล้วพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยเขาได้สมาธิกันสูงแล้วนะก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติเนี่ยโยคีในอินเดียนี่เราก็เรียนพุทธประวัติมาแล้วอาราละดาบทการามโคดได้อารูปฌานถึงขั้นอากินจัญญาญานะ แล้วท่านอุทธกดาบทรามบุทสูงกว่านั้นได้อารูปปชาดถึงเนวสัญญาณาสัญญาญาตนะจบสมาบัติแปดเลยพทธเจ้าไปเรียนกับเขาจนกระ ท, ทั่งทำได้จบเขาเชิญให้เป็นอาจารย์ร่วมสนักพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ทางใช่ไหมลองพ่อก็เสด็จหลีกไปนี่แหละเราจะไปเพลินว่าสมาธินี่ดีนะดีนะดีแนะ่ต้องใช้ใถูก ถ้าใช้ไม่เป็นก็ได้แค่เป็นสิ่งกล่องแล้วเราก็จะหนีปัญหากิเลสก็ไม่หมดไปปัญหาก็ไม่หมดไปทุกก็ไม่หมดไปตราบใดอยู่ในสมาธิก็สบายไปนั่นก็เพราะเป็นสิ่งกล่องก็กล่อมใจด้วยเองด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นพระ เ, เจ้าจัดไว้บอกทำทั้งหลายนี่ต้องพิจารณาให้ดีมีทั้งคุณและโทษสมาธินี่ท่านยังบอกไว้มี อสัสาธาคือส่วนดีอย่างไรมีอาทินวะโทษส่วนเสียอย่างไรแล้วก็มีมิศรณะทางออกอย่างไรอาทินวะโทษของสมาธิคือทำให้เกิดโกสัจฉะความเกลียดครางสมาธินั้นเป็นธรรมสำคัญมากตัวมันเองเป็นกุศลแต่มันสามารถเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้ปัจจัยตัวร้ายคือทำให้เกิดโกสัจฉะความเกลียดค้าง แล้วก็กล่อมใจตัวเองสบายปัญหาที่แท้จริงไม่แก้เพราะฉันกิเลสไม่หมดทุกข์ไม่หมดทำไมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จหลีกไปจากสำนักของพวกดาบทารดาดาบทุทิการดาบทก็เพราะว่าอันนี้ยังไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่สมบูรณ์แต่พระองค์ก็ใช้สมาธิคือใช้เป็นบาทเพราะสภาพจิตที่เป็นสมาธินั้นหนึ่งมีกาลังสองทให้จิตใสสมทให้จิตสงบ อันที่สามเนี่ยทำให้คนติดมากคือคุณสมบัติของจิตที่เป็นสมาธิสอย่างอจตมาทวนอีกทีหนึ่งเป็นทําให้เกิดพลังที่พระพุทธเจ้าจัดอุปมาบอกว่าเหมือนกับคนที่ขึ้นไปยอดเขาเอาน้ําไปถังใหญ่หนึ่งสาดโครมลงไปไม่มีทิศมีทางน้ำกระจายทั้งถังก็หายเรียบหมดไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเทน้ําถังเดียวกันนั้นลงในร่องในราง น้ำไหลไปทางเดียวมีกำลังมากสามารถพัดพาสิ่งที่ขวางหน้าเช่นกิ่งไม้ไปได้เหมือนกับจิตที่เป็นสมาธิพุ่งไปทางเดียวมีกำลังแน่แ น, แนก็มีพลังมากนี่คุณสมบัติของจิตที่เป็นสมาธิประการที่หนึ่งสองจิตที่เป็นสมาธินั้นใสเหมือนอย่างน้ำที่เอามาจากบ่อจากสักมีฝุน่นมีละอองมีดินละลายปนอยู่ก็ข้นก็คลัก มองไม่เห็นอะไรเลยเอาไปตั้งไว้ในที่ที่นิ่งสนิทไม่มีลมพัดไหวสถานที่นั่นก็มั่นคงตั้งอยู่ไม่นานตะกอนก็ตกอยู่ก้นหมดน้ำก็ใสแจว๋วมีอะไรในน้ําก็มองเห็นเหมือนกับจิตของเราที่ว่ามันพ่านอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆมากมายมันก็บังกันเองพอเราทําเป็นสมาธิมันเหลืออารมณ์เดียวไอ้เจ้าตัวอื่นตกตะกอนหมดมันไม่มีตัวอะไรบงังเราก็มองเห็นสิ่งนั้นชัดเจน เพะนั้นจิตที่เป็นสมาธิก็เอื้อต่อปัญญาทําให้มองเห็นตามเป็นจริงที่บอกว่าสมาัา โ, โยยะถาภูต่างประชานาติแปลว่าผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมมีปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแต่ไม่ใช่ว่าเกิดสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเองนั้นหลายคนเข้าใจผิดม่าอย่างนั้นแล้วอาราธดาบอุทธการดาบที่ ก, ทก็รู้แจ้งสัจธรรมหมดสิเพราะแกได้ฌานสมาธิถึงอรูปฌานไปเข้าใจว่าได้สมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเอง จิตที่เป็นสมาธิเอื้อต่อการเกิดปัญญาไม่ใช่หมายความมาทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเองปัญญาเกิดจากสมาธิได้นั้นเพราะหนึ่งเราคิดอยู่แล้วเราคิดปัญหาต่างๆมองพยายามมองเพ่งพินิจมันแต่วันมันบังกันอารมณ์โน้นบังอารมณ์นี้มันไม่เห็นสักทีพอสมาธิมาไอสิ่งที่เราคิดอยู่นั้นมันก็เลยชัดขึ้นมานั่นเป็นเพราะเราคิดใช้ปัญญาอยู่แล้ว สก็คือว่าเราใช้จิตที่ใสเป็นสมาธิในไปพิจารณาธรรมะไปมองสิ่งต่างๆสิ่งที่เรามองก็เห็นเหมือนกับน้ําที่ใสมันเอื้อต่อการเห็นแต่เราไม่มองมันก็ไม่เห็นนายโยฉะนั้นน้ําที่ใสนั้นเอื้อต่อการเห็นไม่ได้หมายความว่ามันจะเห็นขึ้นเามันต้องมองอีกทีเลยต้องใช้ตาปัญญามองจึงเห็นนะฉะนั้นก็อันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญาเนี่ย อันนี้ก็สก็คือว่าสภาพจิตที่เป็นสมาธินั้นมันใสเอื้อต่อการเห็นได้ปัญญาทีนี้ต่อไปประการที่3าจิตที่เป็นสมาธินั้นอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบกระทั่งรบกวนมันสงบหมดเพราะฉะนั้นจิตมันสบายไม่มีอะไรครุ่งพลาดไม่มีอะไรรบกวนไม่ทุรนทุรายไม่กระวนกระวายเมื่อไม่มีอะไรกวนจิตมันก็สงบมันก็มีความสุขอันที่สเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นติดเลยและใช้เป็นเครื่องกล่อม นี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการใช้มากที่สุดจากประโยชน์ของสมาธิคืออันที่สองอันที่2คือจิตที่ใสเป็นสมาธิเอื้อต่อการใช้ปัญญาเอื้อต่อการมองเห็นได้ปัญญาแล้ว อ, นอนนันอันที่1การที่3มาช่วยทําให้จิตนั้นมีกําลังอีกก็มีใช้ปัญญาและจิตมีกําลังด้วยก็ยิ่งชัดเจนใหญ่แล้วมันสงบด้วยไม่มีอะไรกวนการใช้ปัญญานั้นก็ยิ่งได้ผลดังนั้นลักษณะของสมาธิ3อย่างเนี่ย จะต้องใช้ให้ถูกต้องเมื่อใดเรารู้ธรรมะแจ้งแล้วนั่นสิเราใช้ประโยชน์จากที่สามได้เต็มที่อย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้สมบูรณ์แล้วพระองค์ไม่จําเป็นต้องใช้ประโยชน์จากสมาธิในแง่ที่สองที่จะต้องใช้ปัญญาเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเฉะนั้นพระพุทธเจ้าสเสด็จไปบําเพ็ญพุทธกิจมาเสร็จแล้วพระองค์ก็มาพักผ่อนด้วยทิฏฐธรรมสุขวิหารคือการเข้าฌานฌานทั้งสี่นั้นเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร แลลว่าทําเครื่องอยู่ไปสุขในปัจจุบันสําหรับพักผ่อนก็ใช้ในความหมายที่สแต่พระพุทธเจ้าทรงหลุดพ้นจากกิเลสหมดแล้วจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทรงติดเพลินสมาธินั่นและไม่มีทางที่จะทรงประมาทสําหรับพวกเราทั่วไปยังต้องระวังถ้าติดเพลินใช้สมาธิเป็นตัวกล่อมก็จะกลายเป็นเครื่องฉุดดึงตัวเองไว้ทําให้ไม่สามารถบรรลุธรรม ขัดขวางต่อการพัฒนาอาตมาก็บอกแต่ต้นแล้วว่าตัวกล่อมนี้ข้อเสียของมันก็คือมันทําให้หยุดการพัฒนามันทําให้เราหยุดอยู่แค่นั้นไม่ก้าวต่อไปอ น, นั่นชาพูดหยุดไม่ได้ต้องก้าวต่อไปตลอดอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งทีนี้ขอย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของการกล่อมด้วยการอ้อนวอนเทพเจ้าเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเป็นการกล่อมน คนจนํานวนมากก็กล่อมใจตัวเองได้เรื่องนี้เนะจริกระทั่งศาสนาที่มนุษย์เห็นว่ามนุษย์อยู่ในระดับการพัฒนาแค่นี้ก็ต้องใช้อุบายหรือว่าทําไงจะให้มนุษย์นี่จะต้องเพียรทําความพยายามเองบ้างไม่ใช่รอคอยเทพเจ้านั่งองอมืองอเท้าอย่างเดียวอันนั้นก็แล้วแต่วิธีการของศาสนานั้นๆแต่พุทธศาสนานี้ท่านไม่ให้มัวหวังอ้อนบอล น, นอนรอนคอยการดนบันดาลอย่างนั้น อันนี้มันมีแง่คิดแท้งเข้ามาตอนหนึ่งก็คือว่านะบางทีการอ้อนวอนเนี่ยไม่ใช่ไร้ผลนะเดี๋ยวเอาละกันเอเดี๋ยวโยมก็บอกเอชัดจะบรรลุนให้อ้อนวอนแห้ะอันนี้มันเป็นเรื่องของสัตว์จะทําเรื่องของกฎธรรมชาติเรามาวิเคราะห์กันคือการอ้อนวอนเนี่ยไม่ใช่ไร้ผลทีเดียวแต่ว่ามันมีอะไรแสงอยู่ การอ้อนวอนนั้นโดยตัวมันเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่ให้ผลหรอกแต่ในการอ้อนวอนนั้นมันได้ทำให้เกิดสภาพจิตอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นผลพลอยได้โดยไม่รู้ตัวพวกที่อ้อนวอนนั้นทาไปโดยไม่รู้ตัวแต่มันได้ผลอันนี้ทำไมเราจึงบอกว่าบางครั้งมันได้ผลสิ่งที่มันแฝงมาโดยไม่รู้ตัวก็คือสภาพจิต เมื่อมีการอ้อนวอนนั้นมันทำให้เกิดแรงความมุ่งหวังแรงความมุ่งหวังนั้นทำให้จิตแนวมุ่งดิ่งไปและมีพลังขึ้นมาในแนวของสมาธินั่นเองจิตที่อ้อนวอนนั้นเมื่อความตั้งใจความปรารถนามันแรงมันก็พุ่งดิ่งไปทางเดียวจิตก็ตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่นอันนี้แหละมันเป็นคุณประโยชน์เพราะนั้นคนที่ไม่รู้จักอ้อนวอนซะเลย บางทีบอกว่าตัวเองเป็นคนมีปัญญาแต่เป็นคนที่พลาจิตนี่ไม่เอาไหนคือจับจดคนบางคนนี่เป็นคนที่บอกว่าตัวเองใช้ปัญญามากมีคนปัญญามากแต่จิตจับจดเมื่อจิตจับจดไม่เอาอะไรลงแน่นอนแล้วทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วเรื่องของความแน่วแน่มั่นคงของจิตใจนี่สำคัญมากนะมันลงในระดับจิตที่ไม่รู้ตัวของเราเลย จิตที่ทำงานสำคัญส่วนใหญ่ของเราเนี่เป็นจิตส่วนที่ไม่รู้ตัวนั่เลยบอยผวางจิตนี่เป็นตัวองค์แห่งภบนะความสําเร็จแห่งกรรมนี่ไม่ได้อยู่ในระดับจิตสํานึกนะมันอยู่ระดับผวังนะเรยนบอยกรรมของเรานี่สั่งสมสําเร็จขึ้นมาในจิตที่เป็นผวังจิตที่เป็นผวังนี้เราไม่รู้ตัวเลยดัง น, นั้นการกระทําหลายอย่างที่มันเป็นไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกเราได้กระทํามันไปเองโดย การดําเนินชีิตประจําวันบ้างโดยความเชื่อบางอะไรต่างๆชักพายเป็นไปแต่ถ้าบอกเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์ที่อยู่ในอวิชชาอยู่ในโมหะทําการต่างๆได้ผลบ้างมาได้ผลบ้างมันเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ขึ้นมาบ้างเรียกว่ามันเป็นไปโดยไม่รู้ตัวถือว่ามันพอดีมันใจจําเพาะมันไปถูกจังหวะเข้ามันไปถูกจุดเข้ามันก็เลยได้ผล นี้พระุทธเจ้าท่านให้คนลรพัฒนาเี่ก็เพื่ออะไรเพื่อให้ทำการต่างๆได้ผลได้ปัญญาได้ความรู้เข้าใจได้การเห็นจริงบังคับบัญชามันได้ไม่ใช่ว่าไปทำไปพอดีตรงข้ามมันก็เลยได้ผลขึ้นมานีสหรับการอ้อนวอนนี่ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีวิชาแต่ว่าสภาพจิตอันนี้มันได้อันหนึ่งก็คือว่าสภาพจิตที่เกิดแรงความมุ่งหวังที่ทาให้เกิดความแน่วแน่และความพุ่งดึง แล้วก็ทำให้จิตเนี่ยในระดับของความไม่รู้ตัวที่เป็นผวังเนี่ยมันมุ่งมาทำงานมุ่งไปในสิ่งเหล่านั้นมันจับมุ่งอยู่กับ น, นั้นเนี่ยแล้วมันก็นำไปสู่ผลที่ต้องการแม้แต่ตนเองไม่รู้ตัวใ น, นการอ้อนบอนในบางกรณีจึงได้ผลในทางพุทธศาสนาท่านเอาหลักเนี่ยมาแยกออกแล้วเอาสิ่งที่ใช้ประโยชน์ที่ จะมาสัมพันธ์กับการพัฒนามนุษย์ในทางของหลักกรรมขึ้นมาพุทธศาสนิกชนเมื่อยังอยู่ในระดับนี้ยังไม่ถึงกระตักสรู้เรายังยอมรับความเ ป, ป็นบุตรชนอยู่อย่างน้อยก็ควรจะใช้หลักนี้ให้เป็นประโยชน์เพระพุทธศาสนาท่านแยกอันนี้ออกมาให้เราแล้วแต่บางทีเราก็แยกไม่ออกเราก็ยังวุ่นอยู่ จากระบบการอ้อนวอนที่บางทีมันได้ผลเนี่ยนะมันมีแก่นแท้อันนั้นก็คือตัวความมุ่งหวังฝ่ายปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ทําให้จิตมันรวมเป็นพุ่งดิ่งเนี่ยนะอันนี้ท่านเอาออกมาใช้ท่านเรียกว่าอธิษฐานเลยพ่อในทางพุทธศาสนานั้นเอาอันนี้ออกมาแล้วให้ชาวพุทธใช้ได้นะฮะท่านเรียกว่าอธิษฐานแต่ชาวพุทธแยกไม่ออกอีกแหละท่านท่านที่ให้แล้วว่าอธิษฐานเนี่ยนะ จับเอาอธิษฐานเนี่ยไปปนความหมายว่าอ้อนวอนอีกตามเคยแยกไม่ออกในหลายท่านแยะไม่ออกว่าอธิษฐานต่างกับอ้อนวอนอย่างไรต้องเป็นสัตยาธิษฐานจะเรื่องพ่อนจะได้ผลกว่าก็สัตยาธิฐานก็เป็นอธิษฐานแบบหนึ่งเป็นวิทยาธิฐานแบบหนึ่งแต่ทีนี้คาว่าอธิษฐานนี่กว้างกว่าเอาแล้วทีนี้มาดูคําว่าอธิษฐานอีกทีแต่ตอนนี้อจะมาต้องการจะพูดให้แยกออกได้ก่อน ว่าในทาพุทธศาสนานั้นท่านเอาตัวแกนที่มันจะใช้ได้ออกมาเป็นตัวอธิษฐานและให้ชาวพุทธนำไปใช้ได้อธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งมัน่นหมายความว่าตั้งใจเด็ดเดี่ยวคนเราจะทำอะไรต้องมีจุดหมายแม้แต่กุศลรธรรมนี้สิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่เราทำได้ทีเดียวทั้งหมดบางทีทั้งชาติเราทำไม่ไหวใช่ไหมครอย่าว่าแต่ปีสองปีหรือเดือนสองเดือนเลย ตลอดชาตินี้เราจะทํากุศลหรือความดีทุกอย่างนี่เราทําไม่ไหวไม่ต้องพวกเราหรอกแม้แต่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จะบําเพ็ญความดีนี้บางทีทั้งชาติทําได้ข้อเดียวนะพี่จิ๋นไม่ใช่ว่าเขาอื่นไม่ทําทำเหมือนกันแต่ว่าต้องมีข้อเด่นสักข้อสองข้อเพราะฉะนั้นในการเป็นพระโพธิสัตว์ชาติหนึ่งหนึ่งนี้จะต้องมีจุดสําคัญการทําดีต้องมีเป้าหมายว่าจะทําความดีอันไหนให้เป็นพิเศษ เราต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาก่อนว่าอันนี้นะควรจะทําอันนี้ดีแน่เราควรจะทําอันนี้เมื่อมั่นใจกับตัวเองแล้วก็อธิษฐานจิตอธิษฐานจิตก็คือตั้งใจเด็ดเดี่ยวมั่นลงไปว่าจะเอาอันนี้การตั้งใจเด็ดเดี่ยวนี้หนึ่งต่อคุณธรรมความดีหรือกุศลธรรมบัญอยากที่ต้องการจะทําอีกอย่างหนึ่งคือความตั้งใจเด็ดเดี่ยวต่อจุดมุ่งหมายนลยมั่ง ส อ, อย่างนั่นเลยพอนึนงตั้งใจเด็ดเดียวต่อกุศลธรรมบางอย่างที่จะทำนี่ส่วนที่ต้องทําอีกอย่างหนึ่งคือต่อจุดมุ่งหมายหมายความว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่ดีงามว่าเราจะต้องไปให้ถึงสิ่งนั้นให้ได้แล้วเราก็อธิษฐานจิตการอธิษฐานจิตนี้เป็นการทําให้จิตของเราเนี่ยพุ่งตรงดิ่งไปสู่เป้าหมายอันนั้นมันจะเป็นตัวสะสมลงไปแม้กระทั่งในภวังคจิตเลยแล้วภวังคจิตมันก็จะทํางานให้เรา ที่จะชักจูงเราวิถีชีวิตของเราแม้แต่โดยไม่รู้ตัวให้หันเหเข้าไปหาสิ่งนั้นสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเวลาเราเข้าไปสัมพันธ์เนี่ยเราจะมีความโน้มเอียงที่จะเข้าหาสิ่งน้นสิ่งนี้และมีความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นไม่เหมือนกันชีวิตของคนเราทําไมไม่เหมือนกันก็เพราะว่าเวลาเราไปรับรู้ด้วยตาหูจมูกเล้นกายของเราสัมพันธ์กับสิ่งแวด ล, ล้อมเนี่ย คนเรานี่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านั้นไม่เหมือนกันจากจุดที่มีความรู้สึกหันเหโน้มเองต่อสิ่งเหล่านั้นแหละวิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปตามนั้นเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแม้แต่ตัวเราบางทีก็ไม่รู้ตัวคนหนึ่งมองสิ่งหนึ่งก็มีความรู้สึกและเข้าใจอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มองและทารู้สึกอีกอย่างแลวจากจุดเริ่มต้นที่รู้สึกอย่างใดนั้น ก็จะทําให้เขามีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นแม้แต่การเพ่ว่าเขาจะทําความพยายามเขาจะหันเหไปหาเขาจะมุ่งไปในทิศทางเหล่านั้นอะไอย่างนี้เป็นต้นนีการอธิษฐานจิตนี้ก็เป็นการตั้งเป้าให้กัจิตใจนั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญว่าแต่อธิษฐานนี่ต่างจากการอ้อนวอนคือมันเป็นตัวเนื้อแท้ที่เป็นสาระในการอ้อนวอนนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลื่อนลอย การอ้อนวอนนั้นอยู่กับสิ่งที่เลื่อนลอยฝันเพ้อไปเล่นว่าแต่อธิษฐานนี้เป็นสิ่งที่โยงกับความจริงเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยปัญญาและอธิษฐานนั้นไม่โยงไปสู่การกระทําของตนเองแต่การอ้อนวอนไม่โยงไปสู่การกระทําแต่การอธิษฐานนั้นนําไปสู่การกระทํานําไปสู่กรรมที่ถูกต้องแล้วก็การอ้อนวอนไม่โยงไปหาการพัฒนาตนเอง ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับการพัฒนาเพราะว่าไปฝากไอ้ความหวังไว้กับสิ่งภายนอกให้ปัจจัยภายนอกเทพเจ้ามาช่วยแต่การอธิษฐานนี้เป็นการพัฒนาตนเองเป็นการที่ทําให้เราพัฒนาก้าวหน้าตอบไปเรื่อยๆนั้นจึงต่างกันแม้แต่พระโพธิสัตว์ก็มีอธิษฐานบารมีพระโพธิสัตว์จะต้องมีปณิธานเวลาจะทําความดีอะไรอย่างหนึ่งก็มีปณิธานว่าจะทําอะไร และเดีปณิธานนั้นก็ทาให้พระองค์ทาการสาเร็จอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่ามนุษย์เราทุกคนนี้เราไม่สามารถทำความดีและทำจุดเป้าหมายทุกอย่างให้สาเร็จได้อย่าว่าแต่เราเลยพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ความดีต่างๆมันมีมากมายเหลือเกินเราต้องเลือกต้องทำแล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยก็จับจดแล้วก็ไม่ได้ผลเป็นชิอย่างนอันเพราะนั้นวิธีการทาความดี ถ้าเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างโรม์เมื่อก่อนที่จะศัตว์ลูก็คือเป็นพระโพธิสัตว์ก็ใช้ปณิธานแล้วก็ในการมีปณิธานนั้นการอธิษฐานไม่เป็นสิ่งสํงงาคัญว่าอธิษฐานจิตตั้งใจเด็ดเดียวจะต้องทําเป้าหมายนี้ให้สําเร็จจะต้องทําความดีงามนี้ให้สําเร็จแล้วอันนี้จะเป็นทางความสําเร็จที่แท้จริงเพราะจะเป็นอุบายรวมจุดเข้าไปและที่เทตามาได้กล่าวไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของบทแทรกเข้ามา เพื่อจะให้โยมได้ประโยชน์จากเรื่องของการอธิษฐานนะคือว่าอย่าให้เลยไปเป็นการอ้อนวอนเพราะการอ้อนวอนนั้นเป็นการฝากความหวังฝากชีวิตไว้กับปัจจัยภายนอกแล้วก็นําไปสู่ความรุ่มหลงการไม่พัฒนาตนความเป็นอยู่ อ, อย่างเลื่อนลอยอาการที่กล่อมใจตัวไปวันวันหนึ่งอะไรต่างๆ ง, งอมืองอเท้านะถ้าเป็นสังคมแล้วต่อไปสังคมนั้นก็เสื่อมนะเพราะว่า มองในแง่สังคมแล้วอย่างศาสนาพราหมณ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าอุบัติที่ว่ามนุษย์นั้นฝากความหวังไว้ในความสําเร็จและในโชคชะตาชีวิตเนีฝากไว้กับการโดบนบรรดาของเทพเจ้านะก็หนึ่ผลสําเร็จที่เกิดกับชีวิตของตอนเองก็หวังพึ่งเทพเจ้า 2. ความเป็นไปอะไรในสังคมก็ไม่คิดจะแก้ไขปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแต่ละคนก็หวังแต่ประโยชน์ส่วนตัวทําไงฉันจะได้นั่นได้นี่จับเทพเจ้าบรรดาลให้ ปัญหาต่างๆก็ถูกทิ้งไว้พระพุทธเจ้ามาประกาศในทางตรงกันข้ามองค์ก็มาสอนว่าเออมนุษย์เรานะสามารถทำการให้สำเร็จได้ในความเพียรพยายามของตนเองแต่เราต้องรู้เหตุปัจจัยต้องรู้ธรรมต้องรู้ความจริงของกฎธรรมชาติและพัฒนาปัญญาขึ้นมาด้วยการฝึกฝนไปศึก ข, ขาเรามีปัญญารู้สัจธรรมรู้ธรรมะรู้เหตุปัจจัยทาการได้กรรมให้ตรงตามเหตุปัจจัยนั้น ก็ได้ผลดีสังคมของเราเราก็มาช่วยกันสร้างสรรค์แก้ไขให้ดีได้ชีวิตของเราเราก็ปรับปรุงให้ดีได้เราแก้ไขปัญหาชีวิตสังคมของเราได้สังคมของเรานี้เราต้องช่วยกันสร้างสรรค์ถ้าเราไปหวังเพื่งปัจจัยภายนอกก็จบเลยชีวิตของเราเราก็ไม่เพียนพยายามทําดีแล้วเราก็มาหวังผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยการอ้อนวอรแต่ละคนก็จะเอาเพื่อตนโตลงสังคมก็ย่าแย่ลงไปตามลำดับนี่ก็เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรง สอนไว้ให้แกเราแล้วตอนนั้นก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าต่อมาก็ขอนําเรื่องนี้มาพูดเพราะธรรมะนี่มันมีแง่มุมต่างๆที่ต้องพิจารณาเยอะถ้าไปมองชั้นเดียวแล้วบางทีพลาดอย่างเรื่องสมาธิเป็นต้นเนี่ยเนี่ยมันต้องมีข้อดีข้อเสียอย่างน้อยพระพุทธเจ้านี่ทรงสั่งสอนไว้เนี่ยให้เรารู้คือมองทุกสิ่งทุกอย่างหลายแง่หลายมุมถ้าเรียกว่าวิพัตชวะแปลว่า แยกแยะรู้จักพิจารณาอย่างแยกแยะและการแยกแยะนี้มีหลายแบบคือสิ่งทั้งหลายนี้มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียนะีแม้แต่กุศลธรรมเนะี่ยสิ่งที่เราว่าดีแล้วมันก็มีแง่ที่เป็นคุณและแง่ที่เป็นโทษอย่างสมาธิเป็นต้นที่จะมากล่าวไปแล้วเนะี่ยไม่ใช่มองแง่เดียวด้านดีอย่างเดียวด้านชั่วด้านร้ายอย่างเดียวอันนี้การที่ว่ามันดีมันร้ายอย่างหนึ่งก็คือว่า การที่มันเป็นปัจจัยแก่กันและกันได้อกุศลธรรมก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้กุศลธรรมก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลได้อันนี้เราสําคัญมากเพราะฉะนั้น pues <c oughs> จากสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราใช้เป็นเราก็เอาสิ่งไม่ดีมาใช้ใประโยชน์ได้ <c oughs> เอาอกุศลมาใช้เป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้กุศลธรรมถ้าเราใช้ไม่เป็นมันกลับเป็นปัจจัยแก่อกุศลอย่าไปภูมิใจหลงว่าเรานี่มีดีแล้วก็ดีนี่แหละมันจะเป็นตัวร้ายกลับให้เกิดโทษได้ อนนี้ถ้าเราใช้เป็นเราไม่ประมาทไอ้เจ้าอากุศลเรามาใช้เป็นทําให้เกิดผลดีขึ้นมากระแดนเนี่ยอยากตั้หาพระพุทธเจ้าเอามาใช้กับพระอะรหัยพันนันทะใช่มเลยพเนี่ยเป็นอุบายชักจูบพันนันทะให้จัดสรูปเป็นพระอราหันต์ได้แต่ว่าโยมที่มีศรัทธาหรือว่าพระโสดาบันแม้แต่ขนาดเป็นภริรยาบุคคลเป็นโสดาบันแล้ว เกิดไปสันโดษขึ้นมาสันโดษตัวนี้กลายเป็นทําให้พระโสดาบันประมาทเลยเกิดเป็นอกุศลขึ้นมาแล้วสิใช่ไหมลุงครับความสันโดษทําให้เกิดความประมาทพระโสดาบันพระพุทธเจ้าบอกว่าประมาทวิหารีตั้งอยู่ในความประมาทเป็นอยู่ในความประมาทเป็นผู้เสื่อมนั้นธรรมะนี้ต้องมองกันหลายๆแ ง, ง่อันนี้อาตมาจึงขอโยงมาสู่ธรรมะที่สําคัญคือเรื่องความไม่ประมาท อันนี้ถ้ามีเวลาก็พูดกันต่อไปอีกออยังมีเวลาที่จะพูดกันต่อไปก็ขอพูดเรื่องธรรมะที่โยงไปถึงออตอนสแสดงธรรมจักที่ป่าิสิทธจนามรุกขายวันะนั่นสแสดงทางสายกลางแล้วก็มาถึงที่ตอนนี้ผ่านกุศินศราเรื่องความไม่ประมาททำเรานิยงกันหมดเลยเลยก่อนที่จะพูดเรื่นั้นก็ขอยก ตุกตาขึ้นมาก่อนเนี่ยอย่างเรามาประเทศอินเดียโยมก็ได้เห็นแล้วว่าประเทศอินเดียนี้รกลุงรังสกรปรกไม่เป็นระเบียบแค่ไห น, นแต่ว่าท่านหมหาสุทินบอกว่าคนอินเดียนี่ไม่เป็นโรคเส้นประสาทแล้วอยู่สุขสบายดีเนี่ยเอ <laughs> <laughs> นตรีเลยพอนะมีดนตรีก็คงไม่ใช่ท น, นนานเลยพอน <laughs> ันก็วิถีชีวิตอย่างทีนี้ อันนี้หันไปอีกด้านหนึ่งฝรั่งฝรั่งนี่มีความเจริญมีความเป็นระเบียบสังคมนี่มีความก้าวหน้ามีเทคโนโลยีดีอะไรต่างๆจัดสรร เ, เรียกว่าสิ่งทั้งหลายสังคมนี้ให้เรียบร้อยได้พอสมควรแต่พร้อมกันนั้นก็มีปัญหาโลกจิตโลกประสาทอะไรต่างๆนีมากทั้งสองสังคมมีทั้งข้อดีข้อเสียของตนเอง สองอย่างนี้เป็นทางเลือกว่าอันไหนดีกว่ากันหรืออย่างไรหมายความว่าเป็นทางเลือกว่าเราควรจะเอายางไหนอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างไรนี่คือพุทธศาสนาบอกมันไม่ใช่ทางเลือกที่จะต้องเอายางใดอย่างหนึ่งเราสามารถทำสิ่งที่ดีกว่านี้สองอย่างนี้น่าจะเป็นสุดโต่งสองทางมากกว่ามันเป็นสุดสองอย่างมากกว่าจะเป็นทางเลือก ในแง่เขาชาพุทธแล้วเราจะไม่ยอมถ้ามันยังมีส่วนเสียอยู่ในในส่วนอินเดียมีความสุขสบายอย่างนี้แต่ว่ามันสกรปรกลุกลุงลังนี้เราคงไม่เอาเหมือนกั น, น, นเรายังไม่ยอมแต่ว่าในแต่ฝรั่งที่ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นต้นแต่จิตใจคําเครียดมีทุกข์อะไรแต่ไรมากเราก็ไม่เอาเหมือนกันชาพุทธเราถือว่าเราพัฒนาได้มันต้องมีดีกว่า น, นี้แสดงว่าเจ้าสองทางนี้คงผิด มันมีอะไรที่มันผิดพลาดไปก็ต้องถามว่าแล้วอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอดีนี่แหละคือสิ่งที่พุทธศาสนาท่านสอนไว้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางทางสายกลางก็คือทางแห่งความพอดีพอดีมีความหมายอย่างไรหรือทางสายกลางมีความหมายอย่างไรทางสายกลางไม่ใช่หมายความว่า เขาอยู่กันสองฝ่ายเราก็ไปอยู่กึงกลางระหว่างสองฝ่ายนั้วเนี่ยอย่างนั้นเรียกว่าสายกลางบางคนคิดว่าอย่างนั้นนะมีอยู่สองฝ่ายเราก็อยู่ตรงกลางเรียกว่าสายกลางพวกหนึ่งกินเหล้ามากๆพวกหนึ่งกินน้อยๆเราก็กินกลางกลางอย่างนี้เลยเรียกว่าทางสายกลางใช่ไหมเลยก่อนถ้าหากว่ามีแต่คนทําชั่ว พวกหึ่งทำชั่วมากพวกหนึ่งทำชั่วน้อยเราก็เลยทำชั่วกลางกลาง <c oughs> อย่างนี้ไม่เรียกคงไม่ใช่ทางสายกลางในพุทธศาสนาะะนั้นต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดว่าทางสายกลางนั้นไม่ใช่ไปอยู่กึง่งกลางระหว่างสองฝ่ายแต่ต้องมีหลักการทางสายกลางมีหลักการอย่างไรนะอันนี้แหละเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ว่ามันมีหลักอยู่อันหนึ่งนะก่อนที่จะพูดถึงหลักอื่นๆก็คือว่า ในทางสายกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อสมาธิิความเห็นชอบหรือปัญญาเห็นชอบเนี่ยเป็นข้อต้นใช่ไหมโยอันนี้สําคัญเป็นตัวให้หลักพื้นฐานคือต้องมีปัญญาต้องมีความรู้เข้าใจความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ว่ามันยังมีข้อปลีกย่อยองค์ประกอบอื่นๆอีกที่เป็นทางสายกลางแต่ตอนนี้อรตมาจะให้ไว้เป็นข้อสกเกตเบื้องต้นก่อน ว่าปัญญาเห็นชอบความเข้าใจถูกต้องเนี่ยเป็นเป็นพื้นฐานหรือเป็นตัวกําหนดสําคัญของทางสายกลางนี้นี้ก่อนที่จะพูดไปให้ชัดขึ้นนี่จะขอยกตัวอย่างอันหนึ่งเรื่องทางสายกลางเป็นตัวอย่างที่อาจจะพูดมาแล้วโยมอาจจะได้ยินมาแล้วแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะมาพูดซ้ําในชีวิตประจําวันเนี่ยเช่นเรื่องการกินอาหารการกินอาหารนี่ก็มีเรื่องทางสายกลางเหมือนกันคือการกินพอดี การกินพอดีเราจะวัดได้อย่างไรกินพอดีที่เป็นทางสายกลางนั้นวัดได้อย่างไรเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดถ้าโยมเห็นอันนี้แล้วอาตมาว่าเป็นตัวอย่างทางสายกลางแบบง่ายๆเลยกินพอดีคนจำนวนมากนี่เอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการกินเขาจะใช้ความอร่อย คนที่ยังไม่มีการศึกษายังไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาไม่มีโยนิโสมนสิการไม่รู้จักคิดพิจารณาก็จะกินตามอร่อยเพราะว่าเมื่อกินนั้นลิ้นเป็นผู้เสพรสเป็นผู้รับสัมผัสก็จะได้เวทนาคือความอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะฉะนั้นความอร่อยหรือไม่อร่อยจะเป็นเกณฑ์วินิจฉัยในการกินถ้ามันไม่อร่อยก็ไม่กินถ้าอร่อยก็กินยิ่งอร่อยก็ยิ่งกินเพราะฉ้นอร่อยมากก็กินให้มาก เมื่อเราเอาความอร่อยเป็นเกณฑ์ในการกินแล้วจะเกิดผลหลายขึ้นคือยิ่งอร่อยมากก็กินมากดังนะนั้นเมื่อมันอร่อยมากกินมากมันก็จะมีผลคือว่ากินอาหารที่อร่อยมากจนกระทั่งว่าในเฉพาะหน้าปัจจุบันกินจนกระทั่งอาหารไม่ย่อยลุกไม่ขึ้นนะ <c oughs> ทีนี้ระยะยาว ระยะยาวก็คือว่ากินจนกระทั่งเสียสุขภาพนะเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดหรือว่าอะไรเป็นโรคอะไรต่างๆหลายอย่างซึ่งคุณหมอทราบดีว่ากินอาหารที่มันเอาอารสอร่อยเป็นเกณฑ์นี้จะมีผลร้ายอย่างไรหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากินพอรสอร่อยก็เลยไม่คํานึงว่ามันมีโทษหรือมีคุณแค่ไหนไม่คํานึงถึงคุณค่าของอาหารว่าอาหารนี้ จะเป็นทอษต่อร่างกายไหมอาหารนี้มีสารพิษมีสารเคมีมปนไหมปรุงแต่งกลิ่นสีรสหรือเปล่าอะไรต่างๆไม่ได้คํานึงถึงโทษภัย น, นั้นการใช้รสอร่อยเป็นเกณฑ์ในการกินนี่ไม่ถูกต้องใช่ไหมเลยียนอนอันนี้คือการกินตามชอบใจไม่ชอบใจนี่แหละคือหลักเดียวกันหลักที่ว่าประสบการณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายอาเวทนาเป็นตัวตัดสินคือความรู้สึก ความรู้สึกเวทนาสบายไม่สบายเป็นสุขเวทนาคืออร่อยอร่อยก็ชอบใจชอบใจก็กิกนนี่แล้วกินด้วยตัณหาทีนี้มันมีวิธีกินอีกอย่างหนึ่งวิธีกินอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างน้อยคนที่มีการศึกษาจะเริ่มถามว่าที่เรากินนี่เพื่ออะไรอะไรเป็นวัตถุประสงค์ของการกินอาหารเราใช้ปัญญาไปพิจารณาใข้ขวรจะเริ่มรู้อ๋อที่กินนี่เพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ เพื่อให้ร่างกายเนี้ยสามารถ ม, มีกําลัง<ม>แข็งแรงดํารงชีวิตยอยู่ได้ซึ่งคําตอบรวบลัดก็ถือว่าเพื่อสุขภาพนั่นเอง<ม>เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นอื่นอีกแคว่าของพระบอกวา่าพ ร, รมวัจริยานุขหายะเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์หมายความว่าเพื่อจ ะ, จะได้ดําเนินชีวิตที่ดีงามจะเสด็จได้เพื่อปฏิบัติตามมรรคได้ ก็คือเมื่อเพื่อว่าเราจะได้อาศัยร่างกายนี้ไปดำเนินชีวิตที่ดีงามเราจะได้อาศัยร่างกายนี้ทำคุณประโยชน์ทำสิ่งที่ดีงามสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามต่อไปแต่ว่าตัวที่สำคัญก็คือว่าเพื่อร่างกายมีแข็งแรงมีสุขภาพดีนี่พอเราหาเป้าหมายจุดหมายของการกินได้มาอยู่ที่เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดี อันนี้คือความต้องการที่แท้จริงของชีวิตพอเรากําหนดตัวนี้ได้นี่คือเรารู้เข้าใจใช่ไหมลหลวงพ่อนี่คือปัญญาพอเกิดตัวปัญญาเรียกว่าสมาทิฐิความเห็นชอบรู้เข้าใจความมุ่งหมายของการกินแล้วความเข้าใจในจุดมุ่งหมายนี้จะเป็นตัวปรับให้เกิดความพอดีในการกินได้ทันทีเลยนะคือกินตามความต้องการของร่างกาย กินเพื่อสนองความต้องการก็ชีวิตให้มีสุขภาพดีหนึ่งในขณะปัจจุบันมันจะจํากัดปริมาณในการกินกินไม่ทําลายสุขภาพถ้าเรากินมากไปอาหารมันอร่อยก็จริงแต่มันจะทําให้อาหารไม่ย่อยเป็นโทษต่อร่างกายเราก็ไม่กินเกินปริมาณนั้นเราก็จํากัดปริมาณในการกินปริมาณก็พอดีขึ้นมาอันนี้2 ส, สิ่งที่กินไอตัวปัญญาที่รู้ความห ม, มายขอการกินก็จะมาเป็นตัวปรับตัวจัด ให้เราเลือกกินสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์เราก็เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายการกินที่พอดีก็เกิดขึ้นด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความมุ่งหมายของการกินเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นโยนิสงสมรัติการที่สำคัญในการฝึกหลักปฏิบัติเบื้องต้นในพุทธศาสนามีอะไรโภชเนะมัตตัญยุตาใช่มลนพ่ อ, อพระนี่ท่านถือเป็นเรื่องสาคัญเลย พอบวชเข้ามาในพุทธศาสนาจะต้องมีการหลักปฏิบัติเบื้องต้นโภชเนมัตตัญจุตาด้วยการปฏิสังขายโยรับประทานอาหารใช้ปัจจัย4บริโภคปัจจัย4ด้วยการพิจารณาเรียกว่าปัจเปจเวกคณะปัจจเวกคณะนี่ก็ว่าปฏิสังขายโยนิโสปินดาปาต่างเป็นต้นเวลาจะฉันข้าวนี่พระในสมัยโบราณนี่ก่อนจะบวชต้องท่องตั้งแต่ก่อนบวชเวลามาอยู่วัดนี่นะยังไม่ทันบวชต้องท่องบทปฏิสังขายโย บทปฏิสังขายโยนั้นแปลว่าอะไรบอกว่าเราพิจารณาแล้วโดยแยบคายโดยโยนิโสคือโยนิโสมนติการนี่แหละจึงบริโภคอาหารว่าเราบริโภคอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อมุ่งสนุกสนานโมมาโกเก๋อะไรต่างๆแต่รับประทานเพื่อยังชีวิตให้เป็นไปให้เพื่อร่างกายให้อยู่ได้<ม>เพื่อให้อยู่ผาสุก<ม>เพื่อให้อนุเคราะห์แก่พรมจันทร์<ม>เพื่อดําเนินชีวิตที่ดีงามไปเลยเราก็อาศัยร่างกายนี้ ดำเนินชีวิตที่ดีงามได้เดินพออันนี้ฝึกพระตั้งแต่ต้นก็คือต้องใช้ปัญญากินได้ปัญญาต่างกับกินได้ตัณหากินเพื่อหวังรสอร่อยอย่างเดียวเป็นตัณหาถ้ากินด้วยปัญญาพิจารณาเพื่อให้บรรลุจุดหมายของการกินที่แท้อันนี้เป็นการกินได้ปัญญาเรียกว่าอยนสมรสิการสาหรับมนุษย์ปุถุชนเรายอมรับว่าเขายังต้อง มีตัณหาอยู่การกินเพื่อรสอร่อยแต่อะไรก็ยังต้องมีแต่ขอให้เอาหลักโภชนมัตตัญจุตามาช่วยบ้างเพื่อได้ปรับอย่างน้อยก็มีสติควบคุมการกินนั้นจะได้ไม่เกิดโทษ1ไม่เกิดโทษต่อชีวิตของตนเองไม่เสียสุขภาพ2เมื่อเรากินโดยมีโภชเนมัตตัญจุตาอยู่ก็จะทําให้เราประหยัดไปด้ในตัวคือหึ่งสุขภาพร่างกายของเราก็ดีสองในด้านของเศรษฐกิจก็ดีขึ้นด้วย สก็ทําให้การเบียดเบียนกันในทางสังคมลดลง4การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติก็ลดไปด้วยนีนก็ทําให้ได้ผลดีขึ้นแต่อย่างน้อยก็คือว่านี่เป็นตัวอย่างของการที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางเริ่มตั้งแต่การกินพอดีนิยมจะเห็นแล้วใช่ไหมเลยพอว่าทางสายกลางหรือการดำเนินชีวิตที่พอดีนั้นมีตัวอย่างจากการกินนี้ต้องมีปัญญาปัญญาเห็นชอบคือปัญญาเห็นชอบว่า ก, กินเพื่ออะไร พอเข้าใจแค่นี้ก็การปรับให้พอดีก็เกิดขึ้นทางสายกลางเกิดขึ้น mm hmm. เพราะปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงเนี่ยมันเป็นตัวปรับพฤติกรรมพฤติกรรมของเราจะพอดีได้ก็เพราะมีปัญญาเป็นตัวปรับให้มันเข้ากับจุดมุ่งหมายอันนั้นทางสายกลางนี่เป็นทางที่พอดีที่จะนําไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องที่จะทําให้ชีวิตดีงามไร้โทษไร้ทุกนันเองนี่คือทางสายกลางในความหมายง่ายๆทีนี้ทางสายกลาง อย่างนี้โยมพอเห็นแนวแล้วแหละเนี่ยแต่มาก็ขอพูดต่อไปนี่ทางสายกลางนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของดุญยภาพในทางสายกลางนี้มันความพอดีเงาบอกไว้แล้วในความพอดีนี้ก็คือความพอเหมาะความพอเหมาะก็คือความได้สัดส่วนความได้สัดส่วนขององค์ประกอบทั้งหลายที่มาทำงานร่วมกันในระบบปัจจุบันเขาเรียกว่าองค์รวม สิ่งทั้งหลายนั้นมันต้องเกิดจากส่วนประกอบเท่านั้นแหละถ้าส่วนประกอบมันไม่พอดีกันในยุ่งเกิดปัญหาแต่ถ้าส่วนประกอบต่างๆมันพอดีกันแล้วทุกอย่างจะลงตัวและจะได้ผลดีด้วยอันนี้อาตมาก็เคยพูดมาแล้วพรหมวิหารมี4ข้อจะต้องมีดุลยภาพถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทําให้พรหมวิหารสีนี้เสียดุลไป แม้ว่าพรมวิหารแต่ละข้อนั้นจะเป็นกุศลธรรมก็เกิดผลร้ายได้ทั้งทั้งที่มีเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็เป็นกุศลธรรมแต่เมตตากรุณาทำให้เกิดผลร้ายแล้วเราก็ไม่ค่อยคิดกันนั่นเลยหน่พรมวิหารสี่ต้องปฏิบัติได้สัตว์ได้ส่วนกันได้พอดีนะถ้าผิดสถานการณ์ไปสถานการณ์ที่ควรจะใช้อุเบกขากลับไปใช้เมตตากรุณา สถานการณ์ที่ควรจะใช้เมตตากรุณากลับไปใช้อุเบกขาก็ยุ่งที่เล ย, นะเลยพทั้งทั้งที่เป็นกุศลธรรมนั่นแหละเสียนั่นแหละชีวิตก็เสียสังคมก็เสียนี้ในเมืองไทยเรานี่ตอนหลังๆนี่เรามีแนวโน้มที่จะเที่ยวดึงธรรมะออกมาแยกเป็นข้อๆจนกระทั่งในแบบเรียนหลักสูตรของเด็กนะักเรียนในโรงเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศานะ่ตอนหลังๆไปเทียวดึงธรรมะม า, มา บอกไอ้เราจะเรียนธรรมะสอนเด็กให้มีธรรมะข้อไหนเออเมตตาดีนะเอามาสอนกรุณาดีนะเอามาสอนแล้วก็ขันติดีนะเอามาสอนเอามาเป็นข้อข้อข้อข้อเนี่ยเป็นไปได้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจจะทําให้วุ่นสังคมจะปั่นป่วนเพราะไม่เข้าใจว่าพระเจ้าเจ้าท่านวางหลักธรรมะเป็นชุดชุดทำไมเพระมิหารสีนะต้องมาทั้งชุดถ้าผิดชุดเสียหลักแล้วก็หมดเลย เนี่ยที่มันเป็นปัญหาอย่างแม้แต่ในสังคมไทยเราที่ผ่านมาเราก็ปฏิบัติทํามไม่ค่อยครบชุดอยู่แล้วใช่ไหมอย่างพ่อแม่เนี่ยอาก็บอกแล้วเนี่ยบอกว่าพรมิหารสี่พ่อแม่จะทําให้ครบก็ลูกก็เสียเหมือนกันรักลูกระยะสั้นบางทีก็ทำทำให้ลูกเสียระยะยาวลูกไม่รู้จักโตมีแต่เมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาไม่มีลูกโตไม่เป็นลูกทําอะไรไม่เป็นรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ บางทีต้องใช้วิธีว่าเพราะว่าพ่อแม่เรามีความโนบเอยงที่จะลำเอียงเข้าข้างลูกสมัยโบราณต้องใช้วิธีว่าให้ห่างพ่อแม่สับ้างนีเท่ากับว่าพ่อแม่ได้ใช้อุเบกขาโดยไม่รู้ตัวคือว่าเอาลูกไปฝากวัด <c oughs> หรื อ, อไปอยู่ห่างๆอย่างพ่อแม่สมัยโบราณให้ลูกไปเรียนที่เมืองตกกากศิลานวดไปอยู่กันที่สาป่าโมกนะเขาจะได้หัดพอไปอยู่กับอาจารย์และอาจารย์ท่านนะท่านไปคำนึงแล้ว ท่านใช้หลักพระวิหารแต่ท่านมีอุเบกขาด้วยเนี่ยท่านต้องหัดให้เรียนให้ทําให้ทํารับผิดชอบต่างๆเป็นเด็กก็รู้จักรับผิดชอบตัวเองในอย่างพ่อแม่สมัยนี้บางทีอยู่กับพ่อแม่นี่โตทําอะไรไม่เป็นต้องส่งไปเรียนต่างประเทศพอไปเรียน่ต่างประเทศหัดรับผิดชอบตัวเองได้ทําอะไรจะอะไรเป็นขึ้นมาเนี่ยชืออุเบกขาชนิดที่ว่าส่งไปเรียนต่างประเทศคือ <c ười> พ่อแม่ จะได้ไม่ต้องมีเมตตากรุณาตลอดเวลาทีนี้ถ้าพ่อแม่มีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาได้สัสดส่วนกันแล้วลูกก็โตมีความเจรเิญเติบโตอย่างถูกต้องเนี่ยพระพรมสร้างโลกได้ถูกต้องเนี่ยพระพรมทำหน้าที่สมบูรณ์ต้องมีดุญยภาพหแห่งเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาโดยเฉพาะก็อาตมาก็ได้แบกกันแล้วว่า4ข้อเนี่ยแยกได้เป็นสองชุด คเมตตากรุณามุ้ติตานั้นเป็นธรรมะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือมนุษย์ต่อมนุษย์ส่วนอุเบกขานั้นเป็นธรรมะสำหรับรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับตัวธรรมะตัวกฎธรรมชาติหรือตัวความจริงของธรรมชาติที่มันรองรับโลกมนุษย์อีกชั้นหนึ่งนีถ้าเราเอาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แล้วเราไม่คำนึงถึงความจริงของธรรมชาติชีวิตก็เสียเบีเ่ยงเบนภาพ มนุษย์จะอยู่ด้วยลําพังโลกมนุษย์เองไม่ได้มนุษย์เราโลกทั้งโลกนี้ต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะธรรมะนี้รักษาโลกไว้อีกชั้นหนึ่งเพราะนั้นจะต้องไปให้ถึงอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นตัวรักษาธรรมะไว้รักษาตัวหลักการไว้อันนี้พ่อแม่ถ้าหากว่ามีอุเบกขาก็ช่วยให้ลูกนี้เติบโตรู้จักรับผิดชอบตัวเองรู้จักทําอะไรจะอะไรเป็น อย่างที่จะมาได้พูดไปแล้วบอกว่าพ่อแม่ต้องรักษาเบกขาต่อลูกในสามสถานการณ์พูดไปแล้ววันนี้ไม่ต้องทวนอีกมีในสังคมก็เช่นเดียวกันสังคมใดที่มนุษย์เอาใจเมตตากรุณาเนี่ยก็จะช่วยกันยังกระทั่งว่าลืมหลักการมองข้ามกฎเกณฑ์กติกาเสียความชอบธรรมในสังคมหรือว่าอีกด้านหนึ่งที่เสียก็คือว่า จะทำให้คนเนี่ยหวังพึ่งกันเกินไปคนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองเลยก็หวังพึ่งแต่นคนอื่นแล้วไม่กระตือรือร้อนขนขวายตกลายเป็นคนอ่อนแอนะก็เสียแก่สังคมด้วยทำให้สังคมนั้นไม่เจริญก้าวหน้านี่สังคมที่มีอุเบกขามากก็จะไม่เอาใจใส่กันในระหว่างบุคคลก็ขาดความอบอุ่นขาดความอบอุ่นแล้ว ก็ทำให้ชีวิตนี้เคร่งเครียดมีความทุกข์เป็นโรคเส้นประสาทมากแต่ทุกคนนี่จะกระตือรือร้อนขดขวายดิ้นหลนมากมีความเข้มแข็งก็ได้อย่างเสียอย่างก็อยู่ยางเงี้ยโลกมนุษย์เราเนี่ยมักจะตกอยู่ในสภาพแบบเนี้ยงานะในสภาพของความที่ว่าตึงไปหย่อนไปไปสุดโต่งข้างโน้นข้างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงต้องให้เราพัฒนาตัวอยู่เรื่อยเพื่อจะปรับให้พอดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองแล้วนะเลยพอนหนึ่งก็ ให้เห็นว่าทางสายกลางนี้ต้องอาศัยปัญญาถ้าเรารู้เข้าใจจุดมุ่งหมายมันก็จะเป็นตัวปรับให้พฤติกรรมพอดีเช่นการกินอาหารเป็นต้นและสองก็ดุลยภาพในระหว่างองค์ธรรมต่างๆที่เป็นองค์รวมนั้นจะต้องได้สัดส่วนกันให้พอดีก็จะเป็นทางสายกลางและก็สามก็คือความสัมพันธ์ระหว่างองค์ธรรมต่างๆที่เป็นปัจจัยแก่กันเช่นกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้ กุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันในเรื่องทางสายกล น, นี่ก็จะมาถึงเรื่องหนึ่งที่สัมพันธ์กับเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้เทศ่มายกตัวอย่างว่าที่คนอินเดียนีน้ก็อยู่กันสศกลกระโตกรลุงรังแต่ก็มีความสุขดีเหมือนกันอะไรและฝรั่งก็เอ๊มีความเจริญก้าวหน้าจัดสรรสังคมเรียบร้อยแต่เคร่งเครียดมีทุกข์อะไร เป็นโลกจิตโลกปราสาทมันเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ธรรมองค์ธรรมต่างๆอย่ามองโดดเดียวเราจะมองธรรมะคนนั้นว่ามันดีมันร้ายทันทีไม่ได้มันต้องไปสัมพันธ์กันว่าธรรมะตัวไหนประกอบเข้ามาวันนั้นเราะมาคุยกับอาจารย์ดรอุดมและให้ท่านไปช่วยหาตัวอย่างไม่ทราบปัญหาแล้วอย่างแต่มันก็คล้ายๆกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์คือ ขอยกตัวอย่างเท่าที่นึกได้ตอนนี้น ะ, ะคือว่าวันนั้นคุยกันอาตมาก็พูดถึงช่นว่าออกซิเจนไฮโดรเจน2อะตอมบวกออกซิเจนหนึ่งเป็น H2O นะก็เป็นน้ำใช่ไหมนะสำหรับมนุษย์เราก็ดีสิใช่ไหมเป็นน้ำมันก็ดีแต่ถ้าหากว่าเอาออกซิเจนเกิดไปบวกกับคาร์บอนเาไปเป็น CO2 คาร์บอนหนึ่งออกซิเจน2ใช่ไหม ถ้ากลายเป็นคาร์บอนก็เป็นพิษต่อมนุษย์ใช่ไหมเรนโบ้ไม่ดีคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคาร์บอนหนึ่งและออกซิเจนสองเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่ดีอย่างนี้เป็นตัวอย่างหมายความว่าออกซิเจนเราจะวินิจฉัยว่าดีหรือร้ายมันต้องไปดูว่ามันไปประกอบกอะไรองค์ธรรมะก็เช่นเดียวกันอย่าไปบอกว่ามันดีมันร้ายทันทีมันเป็นคุณเป็นโทษมันต้องดูตัวประกอบด้วย เช็นความสันโดดอะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะเอาทันทีว่าดีละร้ายสันโดดนีม่มีทั้งคุณและโทษนั่นเองแล้วก็อยู่ที่ไปประกอบการอะไรความง่ายเนี่ยเราบอกว่าความเป็นอยู่เรียบง่ายดียต้องระวังยกตัวอย่างเช่นความเป็นอยู่ง่ายถ้าไม่มากับความเพียรเพื่อเข้าถึงจุดหมายอันเสรต อ, อาจจะร้ายก็ได้ ที่ท่านให้มีความเป็นอยู่ง่ายมันต้องควบมากับความเพียรเพื่อเข้าถึงจุดหมายอันประเสรฐที่ท่านให้เป็นอยู่ง่ายเพื่ออะไรเพื่อจะได้สะดวก <ST> S> <S เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อเป็นตัวเอือ้อตัวเกื้อหนุนกับการเพียรพยายามเพื่อจุดหมายอันประเสริฐเรามีจุดหมายอันประเปรตที่จะเข้าถึงอยู่แล้วถ้าเราไม่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเราจะไม่มีโอกาส เราจะหาโอกาสที่จะมาเพียรพยายามเพื่อเข้าถึงจุดหมายนั้นได้ยากแต่ทีนี้ถ้าเรามีความเป็นอยูง่ง่ายเฉยๆแล้วไม่มีเจ้าตัวความเพียรเพื่อเข้าถึงจุดหมายประเสริฐมันจะมีความโน้มเอียงมาเป็นตัวกล่อมอย่างที่ว่า เ, เราก็อยู่ง่ายๆเป็นไงก็ได้เอายังไงก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ต่อไปมันจะโน้มไปสู่ความมักง่ายพอมักง่ายแล้วทีนี้ไม่ดีแล้วนั่นเลยพอ ทีนี้อะไรที่ควรจะทําก็ไม่ทาไม่กระตือเรื่อนล้นขนขวาอยู่ยังไงก็ได้ทั้งนั้นใช่ไหมลุงอเสื้อผ้าวันนี้ไม่ต้องซักก็ได้แล้วก็อยู่ได้ทั้งนั้นอะไรอะไรก็อยู่ได้นะบ้านยังไงก็อยู่ได้นะง่ายไปง่ายมาก็มักง่ายต่อไปก็สกปรกยังไงก็ได้ใช่ไหมลุงเนีไม่ต้องซักก็ได้สกปรกอยู่งนี้ก็ได้เนีไม่มีระเบียบก็อยู่ได้ยังไงก็ได้ทั้งนั้นอ นี่แหละยังไงไงก็ได้มันจะเป็นโทษน่ยต้องระวังเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องธรรมะนี่ต้องมองหลายแง่หลายมุมความสัมพันธ์ระหว่างองค์ธรรมต่างๆนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นความง่ายในพุทธศาสนาจึงต้องมากับความเพียรเพื่อเข้าถึงจุดหมายอันปเปิดเิยพระพุทธเจ้านี่ท่านอยู่ง่ายเพราะอะไรเพราะท่านทํำกิจเพื่อจุดหมายประเสริฐตลอดเวลาและท่านทําความเพียรอย่างยิ่งเลยนะเรนพรอย ถ้าไม่เช่นนั้นความง่ายมันจะมากับความขี้เกียจอาวอันนี้ก็ความสันโดษอาตมาจะยกตัวอย่างความสันโดษความสันโดษเพื่ออะไรถ้าเรามองธรรมะแบบความสัมพันธนะ์นั้นเราต้องถามว่าเพื่ อ, อสันโดษเพื่ออะไรนะหลายคนบอกสันโดษจะได้มีความสุข ถ้าอย่างนี้อันตรายนี่แหละจะนำไปสู่ความมักง่ายนะเพราะพุทธเจ้าไม่เคยจัดว่าสันโดษเพื่อความสุขแต่สันโดษแล้วเป็นสุขอันนั้นเป็นถูกต้องสันโดษแล้วเป็นสุขแต่ไม่ใช่เพื่อความสุขความสุขเป็นผลตา ม, มาของความสันโดษเพราะว่าปกติคนเรานี่ความสุขอยู่ที่ความพอใจสันโดษเป็นความพอใจเมื่อพอใจมันก็สุข นี่เราไม่พอใจไม่มีความสันโดษเราก็เร่าร้อนกระวนกระวายล้วก็ทยานหาสิ่งที่มีอยู่ก็ไม่ให้ความสุขแก่เราความสุขของเราก็อยู่เบื้องหน้าตลอดไปในแง่นี้ความสันโดษก็เป็นสุขแต่ว่ามันไม่ใช่วัตถุประสงค์ขอให้สังเกตว่าในธรรมะที่เป็นหมวดนะคิธ ท, ที่อาตมาบอกธรรมะเป็นหมวดเพราะว่าพระพุทธเจ้าบางทีตัดธรรมะไว้เป็นคาถา ในคาถานี้เป็นเพียงคติธรรมเนี่ยจะเอาความสมบูรณ์ไม่ได้เวลาจัดในคาถานี้มันจะเป็นจำเพาะไปมันไม่บอกองค์ธรรมที่เกี่ยวข้องแต่เวลาจัดมาเป็นข้อความเป็นคำสอนยาวๆเป็นร้อยแก้วเนี่ยจะมีชุดเลยสันโดษนั้นจะมากับความเพียรให้สังเกตพระพุทธเจ้าจัดสันโดษที่ไหนจะจัดความเพียรไว้ที่ไห น, น สศรัทธาไว้ที่ไหนจะตรัสปัญญาไว้ที่นั่นจริงไม่เลยพอนะนี่คือธรรมะที่มันโยงกันเนะ่ยที่มันต้องมาประกอบกันเข้านอกจากว่าจะเป็นระบบดุลยภาพแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงจุดหมายด้วยอย่างศรัทธานี่เพื่ออะไรเพื่อปัญญาศรัทธาต้องประกอบได้ปัญญาและต้องเพื่อปัญญาถ้าไปเช่นนั้นศรัทธาก็เหลวไหลได้ศรัทธาเหลีวไหลยเยอะแยะไปงมงายไปเลย เพระนัศรัทธามาลําพังจะไปไว้ใจสันโดษก็มาลําพังไว้ใจไม่ได้ต้องดูมากะไรอ้าวมากับความเพียรพระพุทธเจ้าตัดไปแล้วบอกภิกษุหนึ่งสันโดษในกีบอนตามมีตามได้สองภิกษุสันโดษในบินดาบัดตามมีตามได้สาภิกษุสันโดษในเสนาสนะตามีตาได้สีภิกษุเป็นผู้ยินดีในภาวนา เพียรพยายามเพื่อบรรลุทำที่ยังไม่บรรลุแมอันนี้สำคัญใช่ไหมลห่ะเนี่ยต้องมาอันนี้เลยสันโดษมาสามข้อพอข้อที่สี่ความเพียรเลยเพราะอะไรเพราะว่าสันโดษนี้เป็นตัวช่วยสงวนเวลาแรงงานและความคิดไว้ใช่ปล่า ถ้าภิกษุไม่สโดดในจีวรบิดาบาทเสนาส น, นะปัจจัยสี่ไม่สโดดในวัตถุบำรุงบำรเลือความสุขเที่ยวสแสวงหาอาหารดีๆฉันวุ่นวายอยู่กับเรื่องวัตถุบำรเลอความสุข 1. เวลาหมดไปกับเรื่องเหล่านี้2แรงงานวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้หมดไป3ความคิดครุ่นคิดอยู่จะทำไงจะได้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอันได้เพียงพยายามทำํำนาที พอภิกษุสันโดษในปัจจัยสี่จำหรือจำได้เวลาเหลือแล้วแรงงานเหลือแล้วความคิดเหลืออยู่เอามาระ ด, ดมทํากิจหน้าที่ของตอนเองใช่ไหมเลยนบอนตอนนี้แหละสันโดษก็มีผลเลยเพราะฉะนั้นสันโดษจึงต้องมาคู่กับความเพียรความเพียรในทานทํากิจหน้าที่ของตอนแม้เป็นข้ารือหัดก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปโมวุ่นวายอยู่กับการแสวงหาสิ่งบํารุงบาเรอความสุขส่วนตัว เราก็ไม่มีเวลาแรงงานความคิดของเราก็ไม่มีในการที่จะําเพ็ญปฏิบัติเราก็จะวุ่นวายไปในการที่ว่าจะแสวงหาความสุขส่วนตัวแล้วก็หมดเวลาหมดแรย ง, งานความคิดกับเรื่องเหล่านั้นกิจหน้าทิ้งไม่เป็นอันทำการทําความดีประโยชน์ไรต่ะไรสูงส่งนี่เป็นไปไม่ได้ถ้าคนไม่สนโดดแต่ว่าถ้าสนโดดอย่างเดียวเพื่อความสุขก็จบเหมือนกันก็ไม่ต้องทําอะไรเลย สันโดษพอใจใจก็สบายสุขก็เลยเข้ากันหลักที่ว่าขี้เกียจระนั้นสันโดษก็ทำให้คนขี้เกียจได้ถ้าไม่มาผนวกกับธรรมะที่มันเป็นคู่กันแล้วสันโดษพระพุทธเจ้าก็ไม่จัดไว้เลยลอยสันโดษจะต้องมีต่อว่าสันโดษในอะไรพระพุทธเจ้าจะจัดสันโดษไว้กับปัจจัยสี่สำหรับภิกษุ และนั้นสำหรับชาวบ้านก็คือสันโดษต้องมากับตัวต่อว่าสันโดษในวัตถุบำรุงบำเหนความสุขส่วนตัวทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ให้สันโดษคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายถ้าเป็นกุศลธรรมแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยให้สันโดษเลยและพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าที่เราได้ตรัสรู้นี้เห็นคุณค่าของธรรมะสองประการ คือหความไม่สัโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย2การทําความเพียรไม่ระยอ่อนี่สองอันเรียกว่าอุปัญญาตธรรมธรรมะที่พระพุทธเจ้าก็เห็นคุณธรรมะสองข้อนี้เป็นหลักทั้งในพสูตรและอภิธรรมในพระอภิธรรมนั้นมีมาติกาในอนมาติกาอิธรรมชุดที่เป็นหมวดสองนั้นมีธรรมะคู่นี้ด้วยคือหนึ่งความไม่สัโดษในกุศลธรรมสองความเพียรไม่ระยอ เพราะนั้นชาพูดนี่ถ้าใครมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สัโดใช่ไหมอย่าเพิ่งรีบตอบต้องตอบบอกว่าให้สัโดษในวัตถุบรรลัยความสุขแต่ไม่ให้สัโดษในกุศลธรรมในสิ่งที่ดีงามการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แล้วไม่ยอมให้สัโดษเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลาย เราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเราสรรเสริญอย่างเดียวคือความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายพระเจ้าสรรเสริญอย่างเดียวไม่ยอมให้หยุดเลยเรื่องกุศลธรรมแล้วมีคาถาในธรรมบทก็เอามาอ้านอีกทีพระเจ้าตัดลงท้ายว่า วิสาสมาปาธิอปัตโตอาสวัคทะยังบอกว่าภิกษุจะได้เป็นผู้สูตรภิกษุจะได้ฌานได้สมาธิภิกษุจะได้ความสุขจากเนกขมมะเป็นอนาคามีจะอะไรก็ตามตราบใดที่ยังไม่สิ้นอาสวะอย่าได้ถึงความวางใจว่าวนี่เขาจะทธเจ้าสั่งอย่นั้ น, นขนาดเป็นอนาคามีแล้วบรรลุธรรมเบ้อสูงแล้วอย่าได้ถึงความวางใจตราบใดยังไม่บรรลุ คามสิ้นอาชวะอันนี้พทธเจ้าจัดสําคัญมากเพราะชนะธรรมมาจึงได้บอกเมื่อกี้ในพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่พทธเจ้าจัดว่าพระอริยบุคคลเป็นโสดาบานันเป็นต้นได้บรรลุธรรมเบื้องสูงแล้วเกิดความสันโดษเกิดความพอใจในธรรมที่บรรลุแล้วพระ เ, เจ้าจัดว่านี่ประมาทวิหารีอยู่ด้วยความประมาทว่าเลยนัเลยพระอริยบุคคลอริยบุคคล บรลุธรรมเบื้องสูงแล้วเกิดสันโดษพอใจขึ้นเป็นประมาทวิหาหรียอยู่ด้วยความประมาทเพราะนั้นเรื่องคุณธรรมกุศลธรรมและพระพุทธเจ้าไม่ให้เราหยุดเลยจึงเข้ากับหลักเรื่องการพัฒนาตนต้องก้าวหน้าเลยไปถ้าเราเข้าใจหลักเรื่องนี้แล้วความพอดีเป็นทางสายกลางก็จะเกิดขึ้นเป็นทางที่นําไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องไมิฉะนั้นธรรมะต่างๆนี้จะคาดเคลื่อนวุ่นวายไปหมด แ ล, um, แ, ลแล้วจะทําให้เกิดโทษด้วยแม้แต่กุศลธรรมอย่างที่กล่าวแล้วว่าแม้แต่ก go ุศลธรรมก็เป็นปัจจัยแก่อกุศณได้อคุณธรรมก็เป็นปัจจัยแก่อุศลได้ต้องรู้จักใช้และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอันนี้แหละจะเข้าหลักที่เรียกว่าทำมานุธรรมมาปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะเดี๋ยวจะเอปฏิบัติธรรมยังไงสมควรแก่ธรรมไม่รู้จะเอาอย่างไงสมควรแก่ธรรมทำมาสมควรแก่ธรรมเนี ท่านอธิบายว่าปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่หมายความว่าธรรมานุธรรมวปฏิบัติธรรมะคือตัวธรรมะหลักการใหญ่อนุธรรมคือธรรมะข้อย่อยธรรมะข้อย่อยนี้ต้องสอดคล้องกับธรรมะที่เป็นหลักการใหญ่ธรรมะข้อย่อยความสันโดษความเพียรความอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับธรรมะข่อใหญ่เช่นการบรรลุ โพธิญาณการบรรลุสัจจะทำการเข้าถึงนิพพานนหลัทธธรรมใหญนะ่ธรรมะเหล่านี้ต้องเป็นไปเพื่อจุดหมายนะั้นถ้าสันโดษไม่เป็นไปเพื่อจุดหมายนี้ก็แสดงว่าไม่เป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติแต่ธรรมานุธรรมปฏิบัติจะเกิดขึ้นก็เพราะมันได้สัตย์ได้ส่วนในที่ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง อ, องค์ธรรมเป็นทางที่พอดีวันนี้อาตมาก็ยกตัวอย่างเรื่องทางสายกลางมาแต่ว่ายังไม่ถึงเรื่องความไม่ประมาท ความไม่ประมาทจะมาเป็นตัวปรับอีกทีหนึ่งให้ความพอดีที่เป็นทางสากลางเนี่ยมันดำลงอยู่ได้ไม่ขาดเคลื่อนแต่ขนาดนี้เวลาได้ล่วงมาถึง11บเอ็ดโมงสิเจ็นาทีแล้วดังะะนั้นอาตมา ก, ก็จะขอยกเรื่องความไม่ประมาทไปพูดในครั้งต่อไปแล้วก็ในตอนที่อาตมาพูดไปเยอะแยะวันนี้โยมีข้อสงสัยอะไรโยมก็บันทึกไว้ด้วยเราจะมาคุยกันต่อไปเอาวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรจะเล่นลา เราขออนุโมทนาที่โยมได้มาณที่นี้แล้วก็ฟทำธรรมโดยสิ่งที่นําเรามาก็คือศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะได้มานมัส ก, การสังเวชนีสถานมาเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าในสถานที่พระรูปประกายของพระองค์คือเคยปรากฏอยู่แม้ว่าพระรูปประกายจะล่วงลับดับสูญไปแล้วแต่ก็ได้กล่าวแล้วว่าพระธรรมกายยังอยู่ แล้วก็ธรรมกายนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับเราทุกคนถ้าเราปฏิบัติและธรรมกายเกิดขึ้นในเรานะั่นคือการที่เราได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราก็ได้เหมือนกับว่านําองค์พระพุทธเจ้ามาไว้กับตัวเราฉะนั้นก็ขอให้โยมเนี่ยได้บรรลุผลสําเร็จนี้คือให้อาศัยการที่เรามาเฝ้าในที่เคยดํารงพระรูปกระกายของโลกนี้เป็นสื่อนําเราเข้าหาพระธรรมกายองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริง และขอให้ธรรมกายคือประชุมแห่งธรรมะในระดับต่างๆนั้นปรากฏเป็นผลขึ้นในจิตใจของโยมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขชีวิตที่ดีงามสืบต่อไปตลอดกาลเทอญ